จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบ ร, รัตรั์ผู้ฝ่ทํธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้ใครจะเข้ามาก่อนเลย เดี๋วหมอพิเชษรอก่อนนะเดี๋ยวเอาเด็กเดกก่อนนะอ่าไมมีเด็กเลยวันนี้อ่าเอาเด็กก่อนกันตะวันเข้ามาแล้วครับอ่าวันวแม่อยู่ไห น, นแม่คลองออกน้ยดีครับอ่าตะวันจะรอคุณแม่ไหมรูม้อย่างไรดีครับอ่าเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนนะอืมโอเคคคุณชนิกา อันดิสาเข้าไปมันมาแล้วฮะมาแล้วค่ะพระอาจารย์กล่าวพระอาจารย์ค่ ะ, อคะอเอาเด็กเด็กก่อนะจะได้เด็กจะได้ไปนอนได้ค่ะวันนี้วันนี้เขาบอกว่าเขามาขอกล่าวพระอาจารย์ค่ะไปเริ่มโรงเรียนใหม่วันแรกค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเ <c oughs> อาไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์สักครู่นะคะพอดีใส่ถึงฟังค่ะอ่าต้องเปิดยังไงเละ เดี๋ยวจะจับเปิดอันนี้แป๊บนึงโอเคโอเคค่ะพรอาจารย์ไปโงเรีนมันใหม่มีเพื่อนเยอะไหมมีเพื่อนเยอะไหมคะพระอาจารย์ถามเยอะเยอะค <น S 1> ่ะดีใจหมีใจอ ม, มีชั้นไหนแล้วครับชั้นไหนครับนิงแอปเปิ้ลรอยู่ชั้นแอปเปิลค่ะแอปเปลิลค ไปแล้วเลยไปไม่ไ ด, ไได้คุยกับพระอาจารย์ดีไหมคะมจะทำอะไรพระอาจารย์ดีไหมคะซดทีเดียวสดทีเดียวทายาค่ะปวดย า, าโอเคเก่งมากครับโอเคครับอ่ะถามพระอาจารย์ต่อไหมคะับพระอาจารย์จะว่ายังไงจ้ อะถามไหมถามถามว่า<ำ>อะไรครับถามว่าหนูเป็นเด็กดีอนาวันนี้หนูเป็นเด็กดีครับีนน้หนูเป็นเด็กดีครับเด็กดีก็มีความสุขใช่ไหมใช่ถ้าหนูทําตัวเป็นเด็กดีหนูจะมีความสุขมากๆนะถ้าหนูทาเด็กไม่ดีหนูก็จะมีความไม่สุขนะ นึกว่าพ่อจันยะว่าน้เป็นคนดีอ๋อหนูเป็นคนดีครับอ่าดีดีครับดีมากาหนูอยากจะมีความสุขหนูต้องเป็นคนดีนะดีครับโอเคดีมากเดี๋ยวไปนอนแล้วใช่ไหมว่างนอนแล้ยังครับพ่อจออันโอเคครับสดีนะพ่อจย์ครับมีที่คำไหนที่ร่วงเกินหรือว่า พูดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกราบขอเข้ามาพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะ่ะอไม่เป็นไรไม่มีไม่รึกษากันุิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันก็ต้องกระทบกันบ้างอาจารย์คะออว่าอย่างไรคไรับไม่หายไม่ต้องจากถามอาจารย์ได้เลยครับหรือจะถามอะไรถามไหมครับอาจารย์คะว่าอางไรครับมีอะไรนยครับ จะใช่เออโฟนอยู่ค่ะใ<ะ>ช่เออโฟนอยู่ค่ะเดี๋ยวชื่ออะไรคะเดี๋ชื่ออะไรเนยังไม่ได้บอกตาเลยที่ไหนนะคะเรื่องพนค่ะใอะไรนะพูชดชัดไหนเนเออพูดชดี๋ยูชัดชเรื่องพูค่ะอคม่แปลทำไ วันนี้ง่วงค่ะพระอาจารย์ชื่ออะไรนะนะนัคุณนักคุณศรีชื่อนคุณค่ะนักคุณนคุณนักคุณน้องดุสฎละณนักคุณค่ะพระอาจารย์นคุณโอเคนคุณโอเคกลัวว่าพูดจาอะไรไม่ดีหรือว่าพูดจาอะไร เป็นการล่วงเกินพระอาจารย์ไปกลัวจะเป็นโทษค่ะก็เลยกราบขอขมาพระอาจารย์ไว้ก่อนค่ะใขออภัยไว้ก่อนด้วยนะทุกคนคันครับขออภัยครับค่ะให้โอกาสได้ถามว่าเขาเป็นพ้อธเดี๋ยวไปที่น้องตะวันต่อเลยเนาะตะวันอ่าครับอาจารย์สวัสดีครับ ตอนนี้คำถามนน uh, Sean, um, ครับช่อง <Okay. S 3> ครับพูดหนาหน่อย okay, ครับใกล้ๆหน่อยโอเคครับมองเป็นละใน uh, it, ในอินเดียหรือว่าใน uh ออชไรอินเดียประเทศอินเดียในประเทศอินเดียเขาก็กินแมงมุงมหม้อเป็บาปไหมไม่ว่าประเทศไหนถ้าถ้าต้องถ้าถ้ า, า, าค่าก็บาปทุกทุกประเทศนะที่ไหนก็บาป ที่ฮอลแลนก็บางเนี่ยข่าเป็ดข้าวไก่ข้าวัวข้าควายกินก็บางนะแต่ถ้าเราไม่ได้ข่าถ้าเราไม่ได้ข่าเราไม่บาปถ้าเรากินถ้าเราไปซื้อที่ตลาดนี่ไม่บาปแต่ถ้าเราข้าเองเนาะมากินให้บาปอยากข้ากินได้กินเนื้อสัตว์ได้แต่ต้องกินเนื้อสัตว์ที่เขาขายในตลาดแต่อย่าไปไปจับ สัตว์มาแล้วมาฆ่ากินเองนี่บาปกินไม่บาปแต่ฆ่าบาปแต่ถ้าเป็นเนื้อาง่ามนี่ห้ามกินใช่ไหคะพระอาจารย์เนือบางอย่างอย่างเช่นเนื้องูที่พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามนะค่ะเนี้อา่างท่านห้ามพร้ท่านห้ามพระสัตว์สัตว์เนื้อสัตว์ค่ะ ค่ะแล้วเหมืนีอะไรอีกมีไหนนละคาสิโนใครับจะเราไปคาสิโนมันคุเพนมั น, เนคเพนแไหมดังๆหน่อยไหมไม่ค่อยได้ยินนะจะเราเออจเราไปคาสิโนแล้ว <คา S 2> ไม่ดูใช่จเรา<บ>ไปคาสิโนแล้วก็ไม่แค่ไม่ดูๆๆเีหยหรว่าไรแค่ไเปเฉยยแคไปเฉยฉยแบาแบไหม ยังไม่บาปแต่ใกล้จะบาปเหมันเหมืนใคเข้าไปใกล้กองไฟนอยู่ห่างๆ ก, กองไฟดูอ่ะการสีนวนี่เหมือนกองไฟถ้าไม่อยากถูกไฟเผาอยู่ห่างๆไปดูได้ครั้งเดียวครั้งสองครั้งแล้วก็อย่าไปดูอย่าไปปรบ่อยไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะอดไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นชวนวันนี้ชวนขึ้นมาใ เดี๋ยวนี้คาสิโนโก็าสลัดค่ะพระอาจารย์จะทําเป็นแบบว่าตู้เนี่ยมันลักษณะมันคล้ายๆตู้เกมแบบนี้ยค่ะมันดึงดูดขอะพระอาจารย์มันล่อตาล่อใจค่ะอืเราก็ต้องใช้ธรรมะครับธรรมะมันทันโลกมันจะมาหลอกเ่าในเรายึดหลักธรรมะแล้วมันหลอกเราไม่ได้อบายาบุกเนี่ยประยุกต์เดิมสุราเล่เ น, านการบันเนี่ยสมยามอย่างเนี้ยอยู่ในคาสิโนทั้งหมด มัอนคอนจีมมันยังไม่บาปแต่มันเป็นพฤติกรรมที่จะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายต่อไปนี่ก็อยากไปอย่าไปยุ่งมันดีกว่าไม่มีผลกำไรมีแต่นขาดทุนมีแต่เสียเงินเขาจะดูดเงินเราบอล น, นี่ก็ต้องคารจะดูดเงินเราขายของมึนเมาพอเราเมาแล้วก็เล่นการพนันไม่มีสติสมบัติชนะและ้วเดี๋ยก็เดี๋ยวก็หมด จจอาจารย์ไหมลองเ<พ>ชื่อพระพุทธเจ้านีกว่านะอย่าไปเชื่อเพื่อนอย่าไปเชื่อใครนะเพื่อนเพื่อนชวนบอกผมเชื่อพระพุทธเจ้าอะไรนี่สวสรรเป็นโูกสิทธิ์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของกัวันพระพุทธเจ้าบอกอย่าอย่าไปกาสินโน อ, อย่าไปเดิมอย่าไปเล่นการั น, น, นั้นไปไปเข้าไปในห้องสมุดดีกว่า ได้ประโยชน์กว่าหไปวัดนี่ค่ะไปวัดไปนั่งสมาธิได้ได้ประโยชน์มากกว่าไม่เสียหายไม่เกิดโทษเหมือนกับไปไปวัดก็เหมือนกับไปเข้าในห้องแอร์ห้องปรับอากาศเย็นสบายอ้าถ้าไปกาสินโนก็เหมือนไปในห้องซอนลนาซอลนาร้อนไหมแต่ทางทา <c oughs> ง, งประเทศที่นอนหนาเขาชอบเข้าไปอบไง ผมได้ความหนาววันนั้นขาเหมือนกันค่ะว่าอยากไปซาวหน้าไปผ่อนคลายอช่แต่ถ้าเผลอเกิดประตูมันล็อกขึ้นมามันไม่ผ่อนคลายมันออกไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นได้นะคะเสี่ยงเงินเสียทองค่ะพระซารมันมันมันไม่คุ้มค่ะแต่เพียวงผ่อนคลายคสบายยมุกนี่ยากไปยุ่งนั่นดีสุด โอเคนะบ่นหรืยังบ่นรล้วคจะมาลาพระจารย์ด้วยค่ะสัปดาห์หน้าเดินทางกลับประเทศไทยค่ะพระจารย์เออจะกลับมาเมืองไทยแล้วเลยบต่แม้จะวันวันนี้จำได้กับแจ๊สที่มาใน้ามาไม่รู้ไปไหนโอเคยังก็ยังเป็นยังเจกันได้อยู่อาจี่ยเข้าซู่ได้ไม่ต้องมาที่วัดกนได้ค่ะพระจารย์ก็จะไป ค่ะก็คือจะไปเยี่ยมคุณย่าคุณย่าแล้วก็ไปวัดปูเสียนไปปฏิบัติธรรมค่ะแล้วจากนั้นก็เดินต่อไปเยี่ยมพี่ชายทางภาคเหนือวปูเสีที่เที่วดนเนะใช่ค่ะพระเปวัดูบัวใช่เค่ะโอเคเดินทางโดยสวัสดิภาพนะขอบพระคุณพระจ้าโอเค อันนี้กลับมาที่คุณหมอพิเชษะนะเด็กจัดการไปแล้วนะการนำ้ำมศการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายหัวใจของพระพุทธศาสนาครับอาจารย์หัวใจของพรุทธศาสนาก็เหมือนร่างกายนะร่างกายถ้าไม่มีหัวใจก็อยู่ไม่ได้นะไม่มีหัวใจมันก็เสียว่าชีวิตก็ดับไป พุทธศาสนาถ้าไม่มีหัวใจของศาสนาก็ไม่มีความก็เหมือนก็ไม่มีศาสนาเหมือนกับร่างกายถ้าถอดหัวใจออกไปในร่างกายก็เป็นซากศพไปมันเป็นมัมมี่ไปถ้าเราไปเอาไปดอมก็แบบมันยังอยู่แต่มันมันทําประโยชน์อะไรไม่ได้ศาสนาถ้าขาดเอาลัทธนาตายมันก็มันก็เหมือนเงยหนับเป็น เป็นผลไม้ที่มีแต่เปลือกไม่มีเนื้อเป็นคนที่ไม่รู้ใจคนที่ไม่รู้ใจทํางานทําทําประโยชน์อะไรไม่ได้พระพุทธศาสนามีขึ้นมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับโลกเพื่อพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครจะสามารถพาสัตว์โลออกไปได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือหัวใจ ศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องการผลิตพระสงฆ์เพที่จะได้ามาทําหน้าที่ต่อไม่ได้เน้นเรื่องของการสร้างทาวาลวัตถุต่าง ๆ, ๆไม่ไดเน้นสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างมุเตสร้างอะไรเน้นแต่การสร้างพระอารามพระเนื้อสมสาวกเพราะว่าพระองค์ อ, อยู่ไปไม่นานก็ต้องตายะ อายุ80ปีพระองค์ก็ต้องไปแต่พระองค์ทรงสร้างผู้ที่จะมาสืบทอดทำหน้าที่แทนพระองค์ผู้ที่จะทำหน้าที่แทนพระองค์ได้ดีที่สุดก็คือป้าหลานป้าสาวควบคู่กับว่รทมคาสอนของพระองค์ที่ได้ทรงสอนไ ว, ไว้ในแต่ละวันแล้วมีการตดจากันมานี่คือส่วนประกอบสามส่วนเมื่อตอน การจะมีศาสนาขึ้นมาได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรรมก่อนถ้าม่มีพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครจะรู้เรื่องเรื่องวิธีออกคนจากกรอบถุงได้เลยอยู่ก่อนที่พระเจ้าจะตรัสธรรมนี่ไม่มีผ้านหาตัตถสาวกไม่แต่งลูกเดียวเป็นเวลาหลายหมื่นหลายล้านปีเลยหลยกับปีไม่มีสาวกก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพระพุทธเจ้ามาตารัสรรมแลม้วมาสอนแล้วทำ เดืเจ็ดเดือนแรกนี้ก็มีพระสาวกหนึ่งพันสองห้าสิบคนท่านสร้างสาวกเพราะว่าสาวกจะได้เดินช่วยไปเผยแผ่ธรรมให้กับกับผู้ที่ยังไม่ได้ได้ยินได้ฟังลงสอนให้พระสาวกนีดแยกกันไปคนละที่คนละทางอย่าไปอย่าไปคู่กันให้ไปเดียว เมื่อจะได้ไปกระจายพระธรรมอันประเสริฐนี้ให้ไปให้กว้างไาลที่สุดนะอีกอย่างก็จะได้มีมีมีทายาทที่จะมาทำหน้าที่ต่อพระพุทธเจ้าสาววชิระไปส ร, ร้างไปสอนก็มีสาววชใหม่ตามเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละทำไมพระพุธธรรทธศาสนาเราถึงยังอยู่ได้ามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ายังมีพระพุทธศาสนประสงค์อยู่ ถึงแม้ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ข้าธรรมของสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าอถึงแม้เราจะจากพูกเธอไปแต่พูกเธอพวกเธอจะไม่มีเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศา ส, สดาปราศจากอาจารย์เพราะว่าธรรมะที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี้ที่สอนดีแล้วนี้จะเป็นสัตว์เป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไปแทนเรา และเรายังมีที่พึ่งเรายังมีพระพุทธเจ้าในรูปแบบของวัฒนกรรมสอนที่มีการมีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและมีการรับรองโดยพระอรหันห้าร้อยลูกสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานไปพระอรหนันห้าร้ลกก็มาประชุมกันมาสัมภารามาตรวจสอบ ม, มา บเบอรสามเียวั่าคำซสอนระดัที่ได้หยุดดับกันอนนี้ถูกต้องตามความจริงหรือม่มาเปรียบเทียบกันแล้วก็มีขามถ้าเป็นผ้าอาหานี่มันต้องมันต้องถูกต้องมันตอนไหนผิดเขาจะรู้ทันดีเหมือนแพทย์เนียคุณหมอเป็นแพทย์เนี่ยอ น, นอจบแพทย์มาแล้ววิชาความรู้ทางแพทย์เห็นบอกว่าตวรวจสามได้นะ แต่มีมมหาวิทยาอะไรหม่เปิดขึ้นมาแล้วมีวิชาการแพทย์สอนเนี่ยก็ไปตรวจสอบดูได้ถ้าไม่ได้เป็นแพทย์ขึ้จะตรวจสอบไม่ได้นะถ้าเป็นแพทย์ขึ้นจะตรวจสอบได้เอาแพทย์เอาเอาแพทย์ห้าร้อรูปมาตรวจสอบเนี่ยลองตรวจสอบความจําต่างๆที่พระในสมัยนั้นจดจากันมาทาการมา ตรวจสอบดูว่าเป็นอย่างไรคิดถูกไหมขาดเกินอย่างไรก็ แ, แก้ไขไปแล้วก็ได้มีการสืบทอดมาเรื่อยๆโยนในที่สุดข้าวมีการบันทึกลงเป็นตัวหนังสือลงในคัมภีร์ก็ไต่พติฎกดังนั้นถ้าเราอยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้านี้เราไปเรียนจากพระไตรปิฎกได้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอย่างชอบเพราะว่า เวลาเราไปศึกษากับอาจารย์รูปต่างๆนี้บางที่เราไม่ทราบว่าท่านเป็นผ้าอะไรหรไม่เป็นผ้าะรถ้าเราก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะสอนถูกหรือไม่ถูกตามที่พระเจ้าจะะเลยสัย่งสอนเลยถ้าเราไปศึกษาพระสูตรสําคัญสําคัญห้าพระสูตรที่ได้แสดที่เคยบอกไว้เราจะได้รู้แนวทางข้าวๆมาพระเจ้าสอนอะไรบ้างมั่งแปมีอะไรบ้างคริยสัจสี่ต้รักหนึมีอะไรบ้าง แล้วเวลาเราไปศึกษากับอาจารย์ตา่างๆซึ่งเราไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรหนือไม่เป็นอะไราเราก็จะใช้ใใชช้้ชคํำสอนของพระพุทธเจ้าน่มาเป็นมาตรฐานาคําสอนของครูบาอาจารย์อีกทีถ้าท่านสอนขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เราก็จะได้ว่าท่านท่านท่านไม่รู้ตามที่ระเจ้าสมสมเห็นเราจะได้ไม่หลงทางไปกับท่าน อนี้ครเรื่องของทําไมพระพุทธเจ้าถึงเน้นแต่สัมสอนขัตติกิจิห้านเนี่ยมีอยู่สี่ข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการนานสรรรัมสอนข้อเดียวก็เกี่ยวกับการื่องหกท่อของพระองค์คือกา ร, รบาิรเทาถ้าไม่ไปสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างโบสถ้างอะไรถ้าไม่ไปนั่งปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆไม่ไปสร้างพระพุทธรูปอะไรต่างๆ มีคนสร้างพระจ้าลูกมาถวายพระเจ้าพระเจ้าบอกนี้ไม่นี่ไม่ใช่เราพระเจู้กที่ไม่ใช่เราเราคือก็ทํำคำสอนกันว่าเองผู้ใดเข้าถึงธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงเราแต่ตาคนงั้นถ้าอยากจะเข้าหาพระเจ้าเข้าหาด้วยกันศึกษาพระสูตรสำคัญสำคัญห้าสี่ห้าพระสูตรเนี่ยมันจะมากกว่านั้นก็ได้นะ ถ้านาวนาวทางปฏิบัติมากแปดสิ่สมาธิปัญญาแค่ห้าพจน์นี้ก็พอกินนะแต่ก็มีเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับทานเรื่องเกี่ยวอะไรที่มันเป็นเรื่องปิดย่อยตัวหลักๆจริงๆก็เนี่ยธรรมจักกับปวัตตนสุภมงคลเราสุนักละนักละักรสสุขอัตถิญาะแล้วก็สติประฐานสุข อันนี้เรามีนว ม, ม, มีคู่มือไว้ชาตริประทานส่วนนี้เป็นคู่มือของการปฏิบัติแล้วเราไปปฏิบัติตามสำนักใดถ้าเราปฏิบัติไม่อยู่ในแนวทางนี้เราไม่ได้ลงนี่คือหัวใจของศาสนานก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากความเปนศาสนาเราต้องเข้าหาพระพระัตนตร อย่าไปหาพระุทธรูปอย่างที่คนไทยทางวันเราทางในช่วงช่ว ง, วงสงการเนีย่ยไปไหว้ไปไหว้พระแต่แต่ไปไหว้ไหว้พระอีกพระปูนไม่ไปหาพาาระอรหันต์ไม่ให้ไปหาพระที่พูดได้สอนเราได้พวกนี้เป็นพวกแบบกลัวแสงสว่างพวกผีกลัวแสงสว่างกลัวได้ยินได้ฟังทำแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวกิเลมันจะ พวกพวนี้เป็นเหมือนพวกผีพวกปวดแสงสว่างปวความจริงอสอนให้พิจรารณาเรื่องความแก่ครับเจ็บขาตานี้ไม่เอาเลยเป็นเรื่องอัปมงคลในหมดอยากจะไปหาภาะที่พูดแต่วันวานให้ยืดยืน ย, ย, ย, ยาวนานสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำให้พอช่างไปรับพรเหล่า น, นี้แต่พรแท้ๆไม่ชอบพรจริงๆคือ เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ไม่ชอความแซึชื่งไรากาศพระพระอิป้าปูนพาพาพา ด, ดีก่าถ้าไม่สอนเราอยากจะขออะไรก็ขอได้จุดทูกเทียนตามดอกไม้ไาวทิทานขอโน่นขอนี่ขอได้หมดทุกอย่างได้ไม่ได้เ ป, เป็นไรขอให้ได้กำลังใจให้มั <c oughs> <c oughs> นตรงนี้ไปวัดแต่ไปไม่ถึงวัดกันไม่ได้ไปหาพระรัตนาตรั ก urun, ับกกับพอบคุณป้าจานครับท่านต่อไปจากดราธิวาสวันนี้มีสามการขับพราารมาตรการค่พราจารย์มามามีอะไรไหมขอพระอาจารย์มันนี้โยมมาฟังทำเฉยๆค่ะโอเคการเรียนรูบ อยายามถารดยบ้างดีเียใช่ช่วงนี้ไม่ไม่มีอะไรเสียงคันาเสียงขัดจนทร์ได้หาใช่ตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านค่ะาจารย์เสียงข้างนอกมันจะรบกวนอ่ามันจะกลัวไปคุ้มดําเนนไปพรอาจารย์ได้ยินไหมคะอนอันนี้ได้ยินไหมคะอ่ได้ยินนะช่วงนี้ก็มี ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ที่เคยบอกว่ามันเข้าสมาธิไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะพอช่วงหลังๆเริ่มยังไงพระอาจารย์บอกว่ายังไงก็ต้องทําใช่ไหมคะมันก็เข้าเข้าได้ค่ะแต่แต่ว่าเผลอไปดีใจค่ะว่าเผลอไปดีใจว่าเฮ้ยเข้าได้แลใช่ไหมพอเข้าได้ก็ไปเช็คอีกว่าใช่หรือเปล่าว่างๆเย็นๆพอว่างๆเย็นๆก็ดีใจก็หลุดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่เราทิ้งสติเรอย่าทิ้งสตินะ ทำุทโธแล้วทำดูลงไปไเรื่อยๆค่ะแล้วส่ถ้าเวลาเราเข้าที่ว่างๆแล้วเราอยากจะยังพอไม่หูสังเกตว่าพอไม่ทิ้งสติมันจะยิ่งเย็นยิ่งเย็น ย, ย, ยิ่งว่างยิ่งมีงความสุขค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะดูว่ามันมันโดนกิเลสหนอกหรือเปล่าคะเราอยากจะรูว้ว่ามันว่างแค่ไหนมันเย็นแค่ไหนอยากจะแบบ ก็พูโทโธไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้พุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้ า, าใช้นมก็ดูนมต่อไปจนกว่าจนกว่านมมันจะหายไปร่างกายจะหายไปแล้วมันกไม่ต้องทำอะไรถ้ามันรวถ้าถ้ามันรวมเต็มที่น้วมันร่างกายก็จะหายไ ป, ยยไปหรือแต่เนือแต่ตัวรู้อย่างเดียวแล้วก็ความเร่งความสงบมัเบีขามั น, น, ามนยากยายขึ้นตอนนั้น อันนั้นก็ไม่ำำไนะต้องทํานันนั้นก็ใช้สติประคับประคองไว้อย่าอย่ า, อ ย, าอย่าไปคิดปรุงแต่อย่าไปคิดว่าอันนี้เป็นอะไรอย่างว่าอย่างนี้อย่าไปวิพากษ์วิจารให้ดูเฉยๆดูมันเป็นอย่างนี้จะ ว, ว, วิเคาเาเราะห์ไว้หลอกจากสมาธิแล้วเข้ามาวิเคราะห์ก็ได้แต่เรนอยู่ในสมาธิต้องมากิน ใช่ค่ะพระอาจารย์เวลาเข้าสมาธิได้แค่แวัดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่พอออกมาหนูสังเกตว่าการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาเวลามันจะต้องมีปัญหาทุกวันเหมือนจะได้ดีขึ้นค่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับสมาธิแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่เข้าได้ไม่กี่วินาทีเนี่ยก็มีส่วนเหมือนทําให้ใจเราปราศจากกิเลสนะแม้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานแต่มันก็ ทางวัตถิกี่ิยมันเบามา ง, งเวลาเราคิดอะไรก็เราจะคิดด้วยเหตุด้วยผลแทนที้คิดด้วยความโลภความอยากต่างๆก็ดีนะก็ ก, ก็ให้สังเกตไปเรื่อยๆก็แล้วแต่วาเวลาใจเราสงบแล้วเวลาความคิดความหมายนั้นมันเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับเวลาที่ไม่สงบมันเป็นอย่างไรมันจะเห็นมันจะเห็นความแตกต่างกัน เวลาไม่สงบมันคิดด้วยอารมณ์ขึ้นด้วยอัตตาตัวตนเอาแพ้เอาชนะเป็นเวลาจิตสงบนี่มันยาพิจารณาตามเหตุตามผลแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะชนะยอมรับได้ทุกอยาก่างดูที่เหตุที่เหมอนท่านใจมันมีสมาธิมาเมลาอยจากสมาธิใไปมานมั น, มมนยัง ยังไม่มีอยาตาตัวต้นยังไม่มีอารมณ์ไม่มีตัณหาความอยากมันก็จะเอ า, งงาทุกอย่างตามตามหลักของความเป็นจริงตามหลักเหตุผลทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแต่ถ้ามีอารมณ์ทําไม่ได้ก็ต้องทําไม่ได้ดนั่นเท่านั้น่องมันอย่างความอยากอยากเกิอยากจะทำให้ได้ มันก็ไปทุกไปเชรียดกัมันการใช้ปัญญาใช้ความคิดในทางปัญญาการเป็นสมาธิสนับสนุนมันยัเป็นไปด้วยความถูกต้องเพอไม่มีอารมณ์ของเดเลจมาคร่องนำาโอเคนะมีอะไรไหมมรลิกาจะถามใวันนี้ไม่แทนจาก จากละแงยมอยู่แงเพื่อว่าต้องการจะขึ้นไปทะวุญด้วยสุกิณีุ่งนี้เจ้าน้าที่รู้จักกันรเป่านะสามนรู้จักกันเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดด้วยกันสามคนโอเคอันนี้เห็นหน้าแต็มๆหน่อยนะธรรมดารมดาเห็นตหัวเห็นแต่เสือะเห็นแต่ผมยบ้านอยู่ใกล้กันนะไม่ไม่ไม่ค่ะเขาอยู่อำเภอละแงยมอยู่อาเภอแงค่ะ แต่ว่าก่อนหน้าที่จะิดเกษียณนี่เราอยู่ใกล้กันเราไปมาหา ก, ากันประจํำอะค่ ะ, อะตอนนี้พอกเกษียณแล้วก็แยกกันอยู่คนละอำเภอแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันค่ะวันนี้เลยแม่มาเยี่ยมเยียก น, น, าานกันมีค่ะผศก็คือในเรื่องของการเจริญสติค่ะผศอาจจะว่าการเข้าถึงสติที่เย็นสงบเงย็นนั้นไม่มีแต่ว่าในเรื่องของปัญญาที่จะใช้ในชีวิตประจําวันจะ ทาได้ามากขึ้นก็คือจะไม่โกรธแล้วก็ไม่อคาทายาบาทไทยยอมหยุดเย็นแล้วก็ยิ้มสุดให้เจ้าคับว่าจาจ้านั่นแหละเพราะไม่มีอะไรเปนแน่นอนที่แท้แน่นอ น, น, อนเราไปเราไปหวังไปต้องการมันเดียวมันจะผิดหวังเราน่าไปหวังอะไรยินดีตามมีตามเกิดนกะ็เหมือนกับที่ว่าถ้าการว่าเอา ยืนขึ้นก็ยืนขึ้นตอนนั้นก็อิ่มมันจะนั่งมันจะเตี้ยค่ะเพราะว่าปกตินั้นจะนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นแล้วก็ต้องการจะว่าความค่าจานสูงประมาณสีณส่ชั่วโมงนั้นก็ต้องนั่งที่สูงๆเพราะว่าเปลี่ยนปวเข่าก็จะวันนี้ก็วันนั้นมันเตีเตี้ยไม่เป็นไรหรอกอาจารยขอได้ยินเสียงก็นแากันเสียงก็ได้ยินชัดดีค่ะ ไม่มีอะไรแล้วค่ะพอาจารย์โอเคก็ปฏิบัติกันต่อไปนะสติสมาทีแล้วก็ปัญญานะสลับกันไปสาธุขากับนวมส ก, การคร่ะต่อพระพุทธคุโอเ ค, อเคที่กุณฝนต่อเป็นฝนที่กุญเขาธรรมะนวมส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้มีเรื่องมาอัปเดตพระอาจารย์แล้วก็มีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ อาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์เมตตาให้คําแนะนํากับโยมเกี่ยวกับเรื่องการเอาชนะความอยากอะเจ้าค่ะที่โยมมีความอยากว่าอยากจะได้รถคันใหม่อะค่ะที่แบบที่ตั้งใจเอาไว้แล้วพระอาจารย์ก็ให้เมตตาให้คําสั่งสอนหลายอย่างเลยเจ้าค่ะแล้วตอนความอยากในตัวนั้นนะคะกิเลสตัวนั้นมันลดลงไปแบบลงไปเยอะมากเลยเจ้าค่ะก็เลยคิดได้ในหลายๆเรื่องอะค่ะแล้วก็ แล้วก็ออีกเรื่องหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าวันก่อนพระอาจารย์มีอ่มีให้ซื้อรถกระบะให้บริจาคไปอะคา่ะแล้วพระอาจารย์ก็แนะนําโยมว่าให้ลองทําบุญใหญ่ดูอะคา่ะแล้วพโยมลืมเล่าให้พระอาจารย์ไ ป, ไปว่าวันรุ่งขึ้นนะคะโยมก็เอารถของคุณพ่อที่ไม่ได้ใช้แล้วอาา่ะค่ะก็ไหวให้กับวัดไปอ่ะอแล้วรู้สึกไงดีใจไหมมีความสุขไหมมีความสุขมากค่ะเพราะว่าพระ วัดสักแก้วที่จังหวัดสักแก้วค่ะท่านอยู่สำนักสงฆ์วัดป่าคีวัดป่าคีรีวันครับช้างคีรีวันนะคะแล้วโยมก็เกรงใจโยมก็บอกว่ารถมันเก่ามากเลยอะค่ะแต่ว่าซ่อมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าช่างที่อู่เขาก็ร่วมทําบุญก็ซ่อมรถให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วไปบอกท่านไปว่าโยมเกรงใจเพราะว่ารถมันเก่ามากแล้วอะค่ะแต่ท่านบอกว่าไม่เลยคือ คือเห็นใบหน้าท่านทั้งสองแล้วแบบยิ้มแย้มแบบดีใจมากเหมือนที่ได้รถคันนี้ไปอ่ะท่านปลื้มใจมากทารเก่ายังไงก็ดีกก็ไม่มีร้อนเอใช่ไหมเวลาคนไม่ไปร้อนที่ได้ร้อนจะก่ายังไงขอมันวิ่ได้ก็แล้วกันแต่ท่านไม่ได้ขับเองนะเจ้าคะมีคนลงมาขับให้ค่ะแบบเหมือนเป็นตามหลักพาวินัยแล้วพาจะไม่ขับมถคันนั้ค่ะแล้วก็ทําเรื่องโอนจด ของน เ, เ, เรียบร้อยค่ะยมก็ทางที่โยมมีความอยากโยมก็ความอยากได้รถแพงๆหรืออะไรยมก็จะนึกถึงหน้าของอ่หลวงปู่กับหลวงพ่อองค์นานสององค์า น, านั้นว่าแบบท่านเนี้ยค่ะยมก็เลยคิดได้อ่ะค่ะอ๋ะนะอน้าอยากจซื้อรถแพงๆเพื่แบ่งหนึ่งพาครึ่งเอาครึ่งหนึ่งซื้อาราคาถูกครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกัอีกอันซื้อสองคันนะอันหนึ่งเอาไปบรจิจาคที่ไหนก็ได้ รถมันก็รถเหมือนกันอ่ะรถมันก็พาเราจุดไปจากจุดหึงไปสู่จุดหนึ่งหน้าเหมือนกันแต่เราไปเราทําบนญเราจะขับรถด้วยความสุขใจแต่เวลาเราไม่ได้ทำบนญเราซื้อรถมาเราจะขับรถด้วยความหวาดระแวงรถใหม่รถของเราเดี๋ยวกลัวใครจะมาเฉี่ยวมาชนมาอะไรยมมีความสุขมากเลย อาจารย์แบบมันมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะแล้วก็ให้สามีดูคลิปย้อนหลังด้วยค่ะว่าเนี่ยแบบที่บอกว่าจะให้เขาดูแล้วถ้าเกิดเขาได้ยินที่พระอาจารย์เมตตาสอนน่ะแล้วยมปฏิบัติตามได้เนี่ยเขาต้องมาขอบคุณพระอาจารย์เขาก็เขาบอกว่าเนี่ยให้โยมเชื่อฟังตามที่พระอาจารย์บอกอะเจ้าค่ะการจะใช้ของอะไรพระพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาให้รอบคอบเราใช้ด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปใช้ด้วยอารมณ์คือตอนนั้นเป็น ด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยเจ้าค่ะแบบมาเลยอะค่ะเธ อ, อตามเขาบ้าตามเขาเนี่ยไอ้เจ้าค่ะเขางมี่วนรู้ก็อยากจะมีรู้กับเขาอย่งควรจะน้อยนะคํ า, าใช่เลยคแต่ต<ม>ด้วยด้วยที่คําเมตตาที่พระอาจารย์เมตตาแล้วก็ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทําบุญใหญ่มาแล้วก็ทําให้คิดได้อะ่ะเจ้าค่ะ วั <IST uk t av is> นนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ยงกราบขอเมตตาพระอาจารย์คือเจอคำถามเกี่ยวกับเรื่องการมีสติอะค่ะคือการมีสติเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเราคิดได้เนี่ยคือให้เราหยุดความคิดใช่ไหมเจ้าคะคือเหมือนกับมีสติอยู่แบบตรงหน้ากับสิ่งที่ทําอยู่แต่ถ้าเกิดเวลาที่เรามีความฟุ้งหรืออย่างเช่นเรามีความคิดเลืเ่อยเปื่อยอะค่ะมีความฟุ้งขึ้นมาแล้วเราเรารู้เรารู้ เรารู้ได้เร็วอะค่ะแล้วเราหยุดความคิดนั้นได้เนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่ามีสติเหมือนกันในเจ้าคะ่ะถ้าหยุดความคิดได้ก็ถือว่ามีแต่จะหยุดได้นานไม่นานเท่านั้นองอาจจะเชื่อแ ว, วบสองแวบแล้วดีวก็กลับไปตินใหม่ใช่ค่ะมั น, นถ้ามันถ้าต้องการให้มันหยุดยาวเป็นมันหยุดตินยาวไปเลยเป็นสัปสติสัมปชัญญะมีสติอย่างต่อเนื่อง แต่ช่วงนี้มันก็ยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่อะค่ะแบบเหมือนมันพอเริ่มคิดแต่ว่ามันจะหยุดได้ยงก็รีบภาวนาพุโทโธเลยแล้วก็แ้ค่คอยเฝ้าดูความคิดอยู่เรื่อยๆควบคู่ไปกทำงานกับสิ่งที่เราทําเนี่ยทําไปก็ดูเรื่องเราคิดหรือเปล่าสังเกตอยู่แต่โดยหลักก็ดูงานที่เราทําแล้วก็สังเกตอยู่ว่า้ใจเราไปอยู่กับงานนี้หรือยไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าค่ะ ถ, งงถ้ามีสติถ้ามีสติมันจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับงานที่เรานนทำเท่นั้นทํางานนี้ไปคิดถึงมดที่ไปบอยจ่าเมื่อวานนี้อะไรไปแล้วไป่ดีแลว้วค่ะครับคือแต่การคือเราเราคือสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือเราควรต้องหยุดความคิดใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่หยุดความคิดว่าใจใจะได้นร่งสงบจะได้มีความสุขแล้วต่อไปเวลาถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็อยู่กิเลสได้กิเลสมันใช้ความคิด ค่ะใช่ค okay. ่ะแล้วเราจะทํายังไงให้เราหยุดความคิดได้มานะคะก็ใช้พุทโธพุทโธไปทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะพุทโธก็ได้ก็ทําไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันต้องต่อไปมันก็จะนานขึ้นนานขึพยายามฝึกทั้งวันอย่างอ่าวแล้วมต่างๆ่เรื่องตาด้วยบ้างเลยก็เริ่มเอาเลยอาสติก่อนเลยดูว่าเราต่านกายอยู่ในท่าไหนอยู่ในท่านอนะ พอรู้ขึ้นมานั่นก็เยอะรู้แล้วต้องอยู่ต้องรู้แล้วตอนนี้ร่างกายถ้าเราพอรู้ขึ้นมายืนก็ต้องรู้แล้วเดินก็ต้องรู้แล้วไม่ใช่ปล่อยให้ใร่านใาเดินยืนไปแล้วก็คิดเรื่องน้เรื่องนี้ไปสแสดงว่าไม่ีสติถ้ามีสติก็จะอยู่กับร่างกายเรื่องเดียวไม่อยู่กับเรื่องเลย ค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ก็ฝึกค่ะก็ฝึกจำตามที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้ามาก็คืออย่างแรกก็ก็พูดโทไว้ก่อนเลยแล้วก็จนลุกไปแปรงฟันอาบน้ําอะไรเสร็จนะคะถ้าเกิดทั้งวันเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าฟุง้งฟุ้งน้อยลงแต่แต่ช่วงก่อนที่ที่ฟุ้งเยอะเพราะว่ามันความอยากมันใหญ่อะคะ่ะแล้วเราเราก็ไม่มีสติอะคะ่ะแต่ก็ตามที่พระอาจารย์สอนสั่งก็เดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆฝึกกลับมาฝึกใหม่ให้มันมีสติมากขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องในทางความอยากอะคะ่ะ ใช่บางทีเราเราเราเสืสติไปเพราะเพราะนิสัยเราไม่ค่อยชอบมีสติวอามันไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้พูดคุยแล้วมันก็ไปเรื่อไปเลยเรื่องสติถึงแม้จะหยุดคุยกับคนนั้นคนนี้มันแต่ใจมันคิดต่อไปและคิดการเรื่อมที่คุยกันเมื่อกี้ก็ได้ค่ะค่ะแเราต้องฝึกนิสัยใหม่มันเป็นเรื่องของนิสัยนิสัยเราไม่ชอบคิดชอบเราต้องเปลี่ยนนิสัยว่าอยาให้มันคิด มันมาคิดพุทโธแทนเลลวลาไม่มีความจัดเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไแล้วมันชอบคิดก็ลงท่อยันด้วยกันให้มันคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็โยมจะเอาคําสั่งส่งของพระอาจารย์ไปปฏิบัติตามก่อนค่ะช่วงนี้อยากทบขอบคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะอยาที่คุณสาธารณชาญามาฟังทำกับพระอาจารย์ปฏิบัติทุก ว, วันค่ะ อาจารย์ยิงเขไปต่อเลยนะไปที่อาจา ร, รไไออออย์พรมพี่ไหลต้นต้นโมตามรูมสักการพระอาจารย์ค่ะนุกู น, นอยู่เปล่าเลยอยู่ค่ะกลับรูปสักการพระอาจารย์ครับอา <c oughs> จารย์ถตอนนี้ก็เช็งมิง่งมแต่เราไม่ได้ไปเราไปทันวาเช็งิ่งเช็งมิง่ ง, งเราไปทันวาค่ะไปนคไปน้าหนาวค่ะไปวันวันพ่อค่ะ บนที่๕ครับวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรค่ะพระอาจารย์มารับฟังค่ะอาารสาธุจ่ายดินไปที่คุณดานาัฒต์ต่ดอนท่านี้วนขบวนน่าจท่านีหนจับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้จะเรียกขอความกรุณาพระอาจารย์พอดีลูกสวดมนต์ทำวัดแปลค่ะมีคำแปลคุณสมบัติของพระสงฆ์คือ ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแล้วก็ปฏิบัติชอบแต่อันที่บอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ท่าเป็นเครื่องอ่อยจากทุกอันนี้พอเข้าใจเจ้าขาพอาจารย์จะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเจ้าค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเจ้าค่ะปฏิบัติดีก็เหมือนนักเรียนเรียนดีเรียนต้องได้เกรดสี่สอบทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ือต้องเรียนเต็มที่ยังไงต้องขยันเต็มร้อยถึงจะได้ปฏิบัติดี บางทีเราปฏิบัติยังแบบราปฏิบัติบ้างในปฏิบัติบ้างใชนี้มเวลาที่มีถ้าปฏิบัติดีนี่มันจะเวลาทั้งเวลาว่างที่เรามีเนี่ยให้กับการปฏิบัติทั้งหมดเอยคือ mm hmm. ทำเต็มที่เวลาสอบมันจะได้เกรดดีใช่หไหมัออกเรียนนักเรียนเรียนนักเรียนเรียนดีเพราะอะไรเพราะเพราะขยนันเรียนขยันทํากันบ้านแเวลาทําข้อส อ, บ, สอบก็สอบได้ได้ที่หนึ่ง ได้สี่จุดนี้แบบนี้ครับปฏิบัติดีก็ปฏิบัติีมันปฏิบัติอย่างเต็มที่พอใจไหยค่ะแล้วปฏิบัติตรงละเจ้าขาพระอาจารย์ตรงต่อหลักคําคําสอนเนี่ยตรงต่อตรงตอหลักคำคำส อ, อำำเอาพะจสอนมาแปะเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าส่งสอนปฏิบัติตตรงตาตามคําสอน มูสอนให้เราปฏิบัติดิปฏิบัติอะไรมากแปดปฏิบัติทานชีมภาวนาหรอะไรเนี่ยตาไปตามที่ท่านสอนอย่ไปทำอย่างอืย่าไปปฏิบัติอย่างอื่นแล้วปฏิบัติชอบหรือจ๊ะคาจาถูกต้องไม่ผิดไงปฏิบัติตรงตั้งแต่ตรงทีมันยังปฏิบัติผิดก็ได้ปฏิบัติตองปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูก เหมือนําสมาธิผิดวิธีอย่างเงี้ยเหรอค่ะของอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทานที่จะมีอา น, นิสงส์งมากก็คือทานที่ผู้รับมีความมีความต้องการหรือว่ามีความจําเป็นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมเจ้าค่ะคือทานมันถ้าประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันมันคือทานสิ่งที่เราให้มันมีหลายอย่าง ที่เราให้มาได้แต่สิ่งที่จะมีประโยชน์สําหรับผู้นั้นสูงสุดก็คือธรรมะการให้ธรรมะธรรมทานชนะการให้ทำปวยเพราะว่าให้ธรรมะ <c oughs> นี้จะทําให้เขาขหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ให้อย่างอื่นก็หลุดพ้นได้แต่เฉพาะเช่นให้ให้เงินทองไปซื้อข้าวนี้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ของร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจก็ยังยังยังมีอยู่ เงินทองเงาของนี่ไม่สามารถเป็นอางับดับความทุกทางใจไนดะ้ต้องทำํำนะค่ะสำหรับวันนี้ลูกแต่แตปลงเทก็ต้องให้ทั้งสองอย่างถ้าเขาไม่มีข้าวริงก็ต้องให้ข้าวเขาด้วยะ <c oughs> ให้ให้แต่หนังสือธรรมะไปอํานธรรมะไปอ่านมันมีมันไม่มีเข้าจกินแล้วเวลาอ่านนะค่ะ <c oughs> อย่างเช่นวัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อ <c oughs> บางคนก็แนะนําว่าให้ถวายผ้าไต่หรืออาหารหรืออาหารอะไรเงี้ยแต่ลูกมองว่าถ้าวัดเขาขาดอาหารก็ควรจะถวายอาหารอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจะดูว่าเขาขาดอะไรดูว่าเขาขาดอะไรค่ะเพราะบางที่บาคนไม่รู้เยเพราะคนไม่ค่อยเข้าวัดนานเข้าทีก็เลยมักจะไปซื้อของที่เขาจัดไวเป็นกรแป๋งไม่เป็นทอองด้วยกระดาษสีเหลืองอืม มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในการใช้ใช่ไหมจ๊ะค่ะอาจารย์แต่ก็พูดลำบากเหมืกันเพราะว่ามันมันมันคนเข้าไปถวายของเยอะสามารถมาดาวถ้าจะดูจริงจงมันก็มันก็มันก็ไม่ขาดแคลนนะครับเป็นดาวบางทีมันไม่จองเป้าแล้วไงค่ะแต่ว่าแตเป็นพระก็พูดไม่ได้ไม่อยากจะพูดเห็นไหมหาว่า ไม่เราขาดก็ขาดเพราะการยที่ญาตโยนต้องไปพยายามค้นคว้าเอ่ถามเพราะว่าก็ไม่ก็ขาดอะไรว่ามันมีเขาขาดอะไรบ้พยายามสังเกตค่ะว่าท่านขาดอะไรอะไรอย่างค่ะก็จะแจ้งนั้นมากกว่าเจ้าค่ะครับหรือถ้าอยากจะถามท่านก็ถามได้แต่ท่านจะตอบไม่ตอบก็แล้วแต่ท่านเองค่ะมาองท่านก็เขินมาองท่านก็ยินดีตามมีตามเกิดแาอะไรก็ได้ท่านก็ไม่อยากจะไป ให้ความสำคัญกเบข้าวของเท่าไหร่เนี่ย<อ>กินมีเหมือนกันเจ้าค่ะพอาจารย์ค่ะสําสหรับวันนี้ลูกมีคําถามเพียงเท่านี้เจ้าค่ะกลับขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะนะสาธุใคที่เคยชุวติมาอยู่ที่ไหนเอ่ยนวสการ์ค่ะพระอาจารย์อยู่ญี่ปุ่นค่ะอา่าแมงอะไรโอซาก้าค่ะโอซาก้ามีอะไรไหมวันนี้ มีค่ะหนูมีคําถามค่ะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล น, นะคะคือว่าเมื่อก่อนตอนแผลเมตตาอย่างเงี้ยเราก็ยังมีอารมณ์ร่วมว่าเหมือนเราแผ่พลังบางอย่างไปในความคิดของเรานะคะว่าแบบให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้มันมันไม่มีอารมณ์แบบนั้นแลนะะ้ว่ค่ะเหมือนเราไม่ได้สนใจการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเลย เวลาเราทาบุญเสร็จเรามาอุทิตต่ออย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกลายเป็นว่าเป็นแพทเทิร์นไปอะค่ะเหมือนเราแค่ท่องแล้วเราได้ยินเราพูดอุทิศส่วนคนส่วนกุศลแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกกับมันเลยอะค่ะแล้วเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทั้งมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นอย่างคนหรือว่าอะไรเงี้ยเราอุทิศส่วนบุญให้เขาทำไมเราจะต้อง อุทิศก่อนเขาถึงจะได้ค่ะคือว่าถ้าเกิดเขาเห็นในสิ่งที่เราทําดีแล้วเขารู้สึกยินดีด้วยหรือจะไม่ยินดีก็ตามผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาไปแล้วไม่เกี่ยวกับเราเลยห้าค่ะแล้วทีนี้การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมันยังจําเป็นอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันหมายถึงการสละตอนที่เราเริ่มทําอะไรบางอย่างเพื่อสละออกมันก็สําเร็จตั้งแต่ตรงนั้นอยู่แล้วคือการอุทิตบุญนี่มัน ความจริงมันต้องมีเป้าคือมีมีมีดวงวญญาที่เขารอรับอยู่ตามการตามหลักความจริงนะที่เรื่องของการปฏินบุญนี่มันในมาเป็นมาในสมัยพิจกาสมัยมีมีพระเจ้าเหน็นรูปหนึ่งท่านบอท่านได้ยินเสียงแล้ว ก, ก็แ ก, กทึกขึ้นคอแต่มองเห็นผู้ที่ออกทํออกส่งเสียงออว่าเป็นใคร ก็เลยเป็นฐานองค์เจา้จาเจ้าบอกว่าเป็นอามตดเก่าของโลกตอนนี้เขาไปเป็นเปรต เ, เขาขาดบุญเขามาขอให้ท่านช่วยส่งบุญมาให้เขาแล้วเขาถามพระเจ้าวันนี้ก็ถามว่าจะส่งบุญมาได้ไงพระเจ้าก็บอกว่าให้ทําบุญถวายข้าวของให้พระมาสมแล้วพอทาเสร็จแล้วก็สามารถอุทิศบุญไปให้กับดวงวิญญาณที่เขาอนับเนะี่ย พอแล้วหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเสียงการกระบของโกงนั้นก็หายไปนี่นมันต้องมีมันมีต้องมีเป้ามีอต่ที่เราทํากันเราทำกันแบบรวมๆว่าทําบุญแล้วก็อดทิ้ไปจะใครจะรอไม่รอเราก็ไม่ไม่สนอะขอให้ทำตามตามทำเนียมไปมากกว่าทําทําเป็นทำเนียมแบบเฮงีไปซะละมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกมีความประทับใจอะไรอย่างนี้นะ แต่ถ้าเกิดเรามีคนเราเข้าฝันพ่อพ่อที่เราตายไปเราเข้าฝันว่าลูกว่า พ, พ่อลำบากเหลเกินไม่มีเสื้อผ้าใช้ไม่มีข้าวกินเลยอย่างนี้นี่เาอาจจะบอกว่ามีดวงวิญญาณมาขอบุญนะเราก็ทำไปทำไปแล้วอาจจะมีแล้วอาจจะมีฝันอีกทีว่าพ่อพ่อได้รับของแล้ว น, นะขับใจมากนะลูกอย่นี้ถ้าอย่างนี้มันก็จะทําให้เรามีกําลังใจในการที่เราจะปฏิบัติ งั้นมันไม่เป็นเรื่องสำคัญอนะ่ะทําไปตามทําประเด็นก็แล้วกันถ้าเราไม่รู้สึกมีความรู้สึกอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้เราส่งไปให้ใครอย่างเราทําบุญเนี่ยค่ะอยมือนเราโปอยทานเนี่ยเรามีเงินเหรียญเราโปรยเข้าไปในฝูชนใครจะหยิบไปก็หยิบไปอย่างนั้นนะครใช่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทําแล้วก็คือทําไปแล้วใครจะเอาใช่เลยค่ะคือใครจะเอาไม่เอากพร ก็แค่อุทิศไปแล้วก็ตามอุทิศไปแล้วกันถ้ามีโวงวัญญาณที่เขารอรับอยู่บมาให้เขารับไปเพราะถ้าเราไม่เราเราไม่อุทิศเขามัจะรับไม่ได้นะัะ เ, เหมือนของที่ยัเจ้าของเขไม่ให้อย่างเี้เขาก็ไม่กล้ารับมันเป็นเงื่อนไขอย่างนี้เหรอคะก็เป็นเหมือนทุกอย่างที่เราให้โยนถวายของพระโยนก็ต้องถวายกับเมืองพระนับถวายวาไว้กับพระ ถ้าไปวางไว้เฉยๆนี่พระก็ไม่กล้าไปใช้พเพราะก็ไม่รู้ว่าอยอมถวายหรือไม่ถวายอาจจะเผลอวางไว้เดี๋ยวพระเป็นแบบว่าไปเอาไปใช้เดี๋ยวโยมมาหาของที่วางไว้เอาพระไปใช้แล้วถ้าเป็นโยมที่ตนดีอาจจะมาฟ้องร้องพระว่ามาขโมยเข้าของเขาก็ได้ในเวลาจะให้พระเราต้องถวายกับมือจะต้องพูดด้วยวาจาอย่างไรอย่างใดให้พระรับสราบว่าได้ มีจตนาที่จะถวายของ ส, ส่วนนี้ไปแต่ถ้าไปวางไว้เฉยๆนี่มันยกเว้นอย่างเดียวคือผ้าผ้าเนี่ยถือว่าเป็นผ้าบังสุขุ น, นบางทีเราไปวางไว้าตามทางที่ผ้าอื่นผ่านนี้อันนี้จะเข้าใจว่าอันนี้เป็นผ้าบังสุขุนผ้าที่ใครเห็นอยากจะใช้ก็หยิบไปใช้ได้แต่ถ้าเป็นของอย่างอืงอ่นนี้ต้องต้องมีการบอกบอกให้ผู้รับทราบมัน จะให้มันไขนตอนหรืมีการข่าวคำถวายกันต้องข่าวถวายสังฆทานข้าพเจ้าขอถวายให้กับพระสงฆองค์เจ้าอะไรก็ว่าไปมีการกล่าวแล้วก็มีการถวายด้วยมือด้วยเพื่อจะได้มีความมั่นใจผู้รับจะได้มั่นใจว่าเขาตั้งใจให้เราให้อยู่ดีๆเอ า, เอามาวางไว้ในเแล้วเปิดไปเลย่เี้ย ก็ไม่รู้ว่ามีจัดนาอะไรลืมเมื่อป่าหรือว่าจะให้ใครให้พระรูปไหนมันไม่รู้ว่านั้นของบุญที่เราที่ก็แบบเดียวกันนะต้องอ่อยชื่อของดวงวิญญาณที่ต้องการจะให้ไปหรืไม่งั้นก็บอกซะว่าก็ดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงก็ได้นะท่านบอกอย่างนี้ถ้าดวงวิญญาณไหนผ่านมาก็อาจจะรับไปได้นะ หนูหนูใช้คําว่าสปราร์สทั้งหลายแล้วก็ในความรู้สึกคือก็รวมหมดเลยแต่ว่าไม่เคยเอ่ยชื่อพ่อแม่หรือว่าเอ่ยชื่อใครเลยะก็เหมือนกันใช่ไหมกาเหมือนกันว่าสปราร์สก็คุมทั้งพ่อแม่เปด้วยแต่เราจอนจงเราก็บอกเอาให้พ่อแม่้เป็นของพ่อของแม่ไปดวงบัญญาณดหน่อยก็รับไปไม่ได้ขอความกรุณาอีกหนึ่งคำถามนะคะ คือว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกสติจนรู้สึกว่าทำอะไรในชีวิตก็ไม่สนุกอีกแล้วเหมือนอย่างหนูนั่งดูหนังก็รู้สึกถึงความสนุกแต่มันได้แค่เห็นความสนุกอะคะ่ะหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าทำอย่างอื่นที่มันฟังเพลงมันก็ได้ยินเสียงเพลงรู้สึกว่ามันยินดีกับเสียงเพลงแต่ว่ามันมันไม่มีความรู้สึก ที่เข้าไปต่อจากนั้นอีกแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนใจเรามันก็ไม่ยอมทิ้งความความความสุขเหล่านั้นนะคะมันทิ้งไม่ได้มันยังขัดแย้งกันอยู่ว่าถ้าทําต่อมันก็ไม่สนุกแล้วนะเอออะไรแบบเนี้ยค่ะอาจารย์มันจะเราไปครึ่งทางเรายังไปไม่สุดทางเรายังไปไม่ถึงรถแข่งทางที่ช น, น, น, นะรถทั้งปวงเรากาลังทิ้งของเกา่าไปหาของใหม่ แต่ของเก่ามันก็ยังไม่อยากจะทิ้งเพราะว่าเรายังไม่ได้ของใหม่มาได้ไหมการฝึกสติก็เพื่อพาให้เราไปท่านใจความสุขอันใหม่ความสุขที่เกิดจากความสุขเหมือนกับเราไปซื้อรถแต่เรายังไม่ได้รถรถคันเก่าเราก็ยังต้องขับมันอยู่ไปก่อนดีก็่ไม่มีรถแต่ถ้าเราได้รถคันใหม่เมื่อไหร่เราก็ทิ้งรถคันเก่าได้ีต้องฝึกสมาธิฝึกสติไปให้มันได้ให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ แล้วมันก็จะทิ้งของเก่า ไ, ได้ทิ้งความสุขในรูปแบบเก่า ไ, ได้อันนี้เมันแบบเกินไม่เข้าคลายไม่ออกอยัฒนาของของของใหม่ก็ยังไม่ได้เกิดไม่ลงของของเก่าว่าคายไม่ออกมันก็เลยเกิดไม่เข้าคายไม่ไมไไมอ อ, อมกมันก็มีความรู้สึกมันขึ้นขึ้นๆลางกลางควจะเข้าใจนะ ก็ไ ด, ด้ค่ะเรียนพยายามสติสตินั่งสมาธิให้มันจิตรวมไม่ได้มาจิตรวมแล้วที่นี่มันได้รถแห่งธรรมนะได้ของใหม่นะถ้าเป็นรถกันนู้นรถคันใหม่นะพอได้ขับรถคันใหม่แล้วลก็แห่งเก่าไปยาวไปเข้าไปไ ม, ไม่สนใจนะหนูขาดการนั่งสมาธิค่ะไม่ค่อยเจออย่างนั่งสมาธิสติมันเป็นเครื่องทางสติมันเป็นตัวที่จะพาเราไปสู่สมาธิเราต้องนั่งสมาธิต้องอยู่ในท่านั่งหลับตา วันหนึ่งจะสงบได้เต็มที่แต่ก็ต้องฝึกสติไปก่อนถ้าไม่มีสตินั่งไปก็ฟุ้งซ่านไม่สบมบตอนนี้ฝึกสติได้ก็ฝึกไปนอกก็หาเวลาลองนั่นงมา 5-40 นาทีก็ยังดีหรือถ้าอยากจะใช้วิธีฟังเทศไปก่อนก็ได้บางคนนั่งสมาธิยังไม่ได้ก็เนี่ยไปเทศ ควงเทศที่เราเทศให้ฟังเนี่ยบาทีแบบชั่วโมงนะเพราะวานั่งธรรมดาถ้านั่งเฉยนั่งไม่ได้แต่ถ้านั่งควงมเทศไปนี้นั่งเฉยได้ไม่ขยับตัวได้ก็เริ่มมีสบา ท, ที่ขึ้นมาในระดับหนึ่งค่ะ ข, ขอบพระคุณครัอาจารย์โอเคเอาสัตย์ได<อ>้นะไปอยู่านานหรือยังปีหนึ่งวะค่ะออกเพิ่งไปนะค่ะผมมาเรียนหนังสืออา่าในภาษา ญ, ญี่ปุ่นเนะ ใช่ค่ะอืโอเคขอให้สำเร็จนะสําเร็จเร็วๆโอเคไปที่เป็นหมอพระศาสนาขอท่าหนหมอกลับมัสมการค่ะพระอาจารย์ค่ะอ๋ออาทิตย์นี้ก็ยังคงความสงบได้ค่ะพระอาจารย์นีตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็สงบได้ค่ะพระอาจารย์รู้สึกค่ะแล้วก็ใช้ที่พระอาจารย์เอ่อ เทพแนะนาําเขาที่แล้วที่บอกว่าใช้สติกับปัญญาเป็นยามคอยรักษาเนี่ยให้ใครมาจุดไปอะพระอาจารย์พระอาจารย์พูดนี้รู้สึกว่าเข้าใจมากเลยพระอาจารย์เขาเป็นคนชอบเรื่องไปอยู่แล้วค่ะ<ม>ก็วันนี้พระอาจารย์เทศพนะค่ะก็เลยความเข้าใจและความเข้าใจก็เลยยิ่งมือกับเข้าใจมากขึ้นที่เป็นเทศวันนี้นนว่าว่าถ้าเราเราสติกปัญญามันคอยดูใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าเออคําสุข ที่ความสุขหรือทุกข์ก็คือสักแตว่าสุขอทุกข์ขอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่อยากเราก็จะไม่มันก็จะสงบไปอย่างนี้ได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เทศน์วันนี้ค่ะเราต้องทําดูเลยอย่างนี้เรถูกไหมถูกไหมอยู่ที่ความที่การกระทำของเราแต่เข้าใจถูกใช่ <S <S ไหมคหมายถึงว่าเข้าใจที่พระอาจารย์บอกถูกใช่ไหมคะเพราะว่าทาําแล้วที่คือเข้าใจว่าเข้าใจว่าเราไม่ไม่ต้องไม่อยากก็คือให้รู้แค่ว่าสุขกับทุกข์เพราะว่ามันตรงนั้นแล้วก็ไม่อยากอย่างใช่ไหมคะพระอาจารย์ ก็ยิ่งค้อย่ค้ออยากมันเป็นตัวเหตของความทุกข์มาต้องรังต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการอไม่ต้องการก็อย่าไปอยากไวยินดีตามมีตามเกิดไปเลยการอาจารเพราะว่าจะคอนเฟิร์มตลอดว่าเอฟังแล้วเข้าใจถูกไหมที่เราทำถูกมหมยังไงอาจารย์แต่ว่ามันคงความสมอได้รอาจารย์เพราะว่าเราคอนเฟิร์มด้วยการปฏิบัติของเรามันจทันทีอพิโก ัต่ยังต้องไปคอยให้มาฟอนเททุกวันคือก็ฟเทร์นด้วยตัวเองเทรวยัวเองเพราะอัลฮิอัตโนนาถอยใช่หมว่าจ่าค่ะนั่งกินข้าวกินข้าวอี่มไม่มประานเราเราจไปรู้ว่าอี่มไม่อิ่มคุณต้องกินคุาควรจะรู้เองใช่ไหอค่ะ เข้าใจแล้วจ้าถงใสติดนิสัยตอนเรียนเนียพระอาจารย์ชอบบอกว่าประมาณแบบเิ่มเิมตอนเรียนนะคะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะพรอาจารย์แล้วก็ฟังเทศหลวงปูเทศก็เกืบจบนะคะรู้สึกว่าหลวงปูเทศนะคะพอพระอาจารย์บอกแนวทางมาอย่างเงี้ยแล้วพอฟังหลวงปู่เทศท่านเทศแบบว่าเป็นตอนตอนนี้มันก็เลยยิ่งแบบดีก็แต่ก็ฝากทำตามด้วยนะคะพรอาจารย์ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็ปฏิบัติด้วยโอเคทต่อไปพี่ะค่ะ่รรมาจทก ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเองโอเคคุณแดนจากบุดอนตานนี้กลาวธมาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ ะ, ะสั่งโดดผิชายนั่โด <c oughs> นึ่โมงมัส ก, การคค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวสักคู่นะครับติดต่อคุณยายแป๊บหนึ่งครับพระอาจารย์พอดีว่า คุณยายวันนี้ไม่ได้มาซูมด้วยกันแต่ว่าอยากเจอพระจานทร์ครับก็เลยเดี๋ยวต้องโทร น, นิดนึงพอดีว่าผมไม่สบายคหาพระจานทร์แล้วคุณยายก็กอยากก่าวพระจานทร์ครับแต่นั่งห้องเดียวกันไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันสามโฟมแต่เดี๋ยวไม่รู้จะรับหรือ่านรับนะครับเดี๋ยวให้ยายอ่านนี่ครับอ่าคุณยายเห็นไหมสบายดีหรือป อยู่บ้านเลยกันไดอยู่คนห้องเลยครับคุณยายสบายไหคะอันนี้เลยไม่ได้คำอ่านความด้วยนะได้เปิดฟังที่ห้องของคุณยายได้เปล่าเปิดเป็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้คุณยายได้ครับผมอยากจะไม่เปิดใคุณยายมีอะไรไหมอยากจะถามอะไรไหมจ้าไปก่อ ครับด้วยครับหญ่แค่กาดเฉยๆครับไม่มีคำถามนะครับสสุขภาพแข็งแรงนะยายาไม่าไม่ถูกย่ยกาด่ถูกครับผมไม่ต้องกาดเลยยกมือไหว้กพอยกมือไหว้กพอาเคธิตก็ุณยญ่แค่แค่เจอหน้าพระอาจารย์ก็ชินใจแล้วครับแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ครับก็ เ ร, เรียนเรียนเรื่องการบ้านครับผมอาจารย์ก็ปฏิบัติตอนเนื่อในความเพียรเต็มที่ครับผมอาจารย์แล้วก็อ่าจิตก็ตอนนี้ก็จิตก็ค่อนข้างรวมเร็วครับเวลาที่ปฏิบัติในรูปแบบตอนนี้ก็สิ่งเดียวที่ฝึกอยู่ตลอดคือทําจิตให้สงบซึ่งการจะทําจิตให้สงบวิธีของผมก็คือเราจะดูอารมณ์ที่เข้ามาพอเราเห็นเราก็พยายามน้อมไปเป็นไปรลักคราวนี้จิตเรามันค่อยค่ อ, ยคอยแยกออกมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ มันก็แยกออกมาดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วยิ่งแยกบ่อยเท่าไหร่ยิ่งสงบจ่านั้นครับผมอาจารย์แต่ยังก็ยังไม่รู้ต้องต้องเพ่งเดู๋ยวยังงต้องพูดเถอะครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่บางทีถ้าสมมุติมันไปทำงานหรืออะไรเงี้ยครับหรือเรียนหนังสืออย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เพ่งไม่ได้ก็เลยใช้วิธีอยู่กับรู้แทน อ, อยู่กับรู้อ่าวางใจเป็นอุเบกขาไปครับอาจารย์ ก่ยังไม่ถือว่าสังบยังไม่เป็นสมาธินะครับอาจารย์ก็ต้องฝึกใช้สมาธิให้สร้างลังจิตเพิ่มครับเมวลาตอนนี้ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูหนังแล้วก็โชวไปครับรอาจารย์ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่ครับแล้วก็พยายามบางทีก็พอพิดเจนาราธรรมามาบ้างไหมพิจารณาปัญญาบ้างบางบงทีมันฟุ้งครับว่าอาจารย์ก็เลยอ่า ต้องกลับมาสวดมนต์อิติปิโส ต, ตอนนี้ก็พอมันฟุ้งมากๆก็เลยต้องเปลี่ยนปกติสวดแค่จบเดียวตอนนี้ต้องสวดร้อแปดจบแล้วครับอาจารย์เพราะว่าไม่ไงั้นมันคุมความฟุ้งซ่านไม่อยู่ครับก็พออิติปิโสจบล้วก็จะนั่งจเจริญอาณาปานสติไปครับอาจารย์ก็มันก็ทำให้เราสามารถที่จะแบบมีกำลังได้มากขึ้นต่อสู้กับอารมณ์ในชีวิตประจาวันได้ครับอาจารย์ ีถามอาจารย์แล้วก็ต่อสู้กับอารมณ์ทุกชนิดเข้าใจคำครูบาอาจารย์บอกแล้วแบบต้องต่อสู้ต้องฟันฝ่ากับอารมณ์ทุกชนิดเข้าใจลึกซึ้งนล้วแล้วก็เนี่ยตอนนี้พอไม่สบายก็จะบอกอาจารย์ว่าสอบได้คะแนนห้าสิบถึงร้อยครับอาจารย์คือพึ่งหนึ่งคือเราวางใจเฉยได้แต่พอมันเจ็บมามันก็มีบ้างอีที่ความคิดที่บอก ลำคาญแบบเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อะรู้ว่ามันลาคาญเราก็หยุดแค่นั้นแต่เราไม่ต่อไปกับมันให้ใจทุกข์ค่ะพอาจารย์เราต้องไปโทษเนี่ยเมื่ออยากมาเกิดเนี่ยเกิดแล้วก็ต้อใมาเจอทีเนี่ย้าไม่อยากจะเจอเยไม่อมเดี๋ยวมาเกิดเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยผมก็นั่งนึกตอนที่เจ็บเนี่ยว่าเออเราก็นะผมชาติที่แล้วก็คง ห ล, ห, ลหลายชาติที่แล้วเหละก็คงไปทำกรรมหลายอย่างแล้วเกินโลกประจําตัวก็มีโรคอะไรอย่างนี้เจอป่วยเจออะไรก็คงทํากรรมไม่ไดีเอาไว้ก็นึกว่าถ้าผมรู้กฎแห่งกรรมไวกว่านี้ <c oughs> กรรมคงไม่มาตอนนี้แต่ว่าก็อมองเพามันเป็นเรื่องของอดีตก็ชั่งมันเี่ว่าจะ แต่นะ<ม>ตอนนี้ว่า อ, อถ้ารู้เรื่องกฎแห่งกรรมเร็วกว่านี้แล้วผมแบบระลายตะบะได้เร็วกว่านี้ยเราคงไม่ไปทำกรรมอะไรอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับาจารย์อยมาเกิดอย่ามาเกิด อ, อันนี้ส <c oughs> ครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่คนมาเกิดนะครับอาจารย์ตัดไปตัดความอยากให้หมดนะ <c oughs> ครับอาจารย์ตอนนี้เป้าหมายของผมคือละสังโยชน์เบื้องต้นให้ได้ให้หมดเลยครับอาจารย์ ก็ <Okay. S 2> ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนานี่คือผมผมแทบไม่สนใจนะ <ill> สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้เวลาเขาบอกโ oh, อ้วายมีขอหวย <c oughs> อะไรนี้ผมผมก็เฉยเฉยครับอาจารย์แต่สักครินในศาสนาพูดมีแค่กฎแห่งกรรมนี่นะกฎตายกฎสองตายแล้วนี่ยต้องเนีนยนอะไสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอาจารย์ก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยครับ แต่ว่าเราต้องไปถึงจุดที่มันไปไม่ถึงก็คือยิพานครับกดนี้ไปไม่ถึงประนิพานเราต้องไปจุดนั้นได้ครับผมว่าจะต้องขยันปฏิบัตินะครับครับอาจารย์ขยันเต็มที่ครับอ <Okay. S 2> เดี๋ยวะจะเอาพระนิพานมาให้ได้ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ไว้บอลเลครับยิบานัมปัจยโยโหตุ สาธุกับคุณค้าบพระอาจารย <laughs> ์ต <Okay. S 1> อนนี้ปิดการไหมอตอนนี้ผมปิดช่วงเมษาครับอาจารย์ปิดเออไม่ปิดสงการนะครับปิดเ บ, บอรอปิดสงการปิดสงการแล้วปิดจริงๆริงเมื่อมิถุนานใช่ไหมใช่มิถุ น, า, นาครับการเดือนมิถุนาน เดี๋ยวค่กลางเดินมิถุนาไงปิดเดี๋ยวขอไปฟังธรรมแล้วก็ไปปฏิบัติที่เขาเชียวนะพระอาจารย์อ่าคอ ง, องคอบเนาะครับเนาย์ครับไปที่โกเบมุนชุกชุกโกเบงานมาสุกนพระอาจารย์เจ้ค่ะง่ายมากวันนี้ก็สบายดีค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ก็สบายดีใช่ไหมคะอืงยังเดินไปทางานอยู่บ้างเปล่า ช่วงนี้ไม่ได้เดินแล้วค่ะพระอาจารย์มันหนาวเหรอมันไม่หนาวค่ะมันร้อนขึ้นค่ะอาจารย์มันร้อนขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วกลาบสู่ฤดูร้อนหน่อยไปไหมไปไหมถี่อะไรแบบนี้ไปไหมถี่แล้วค่ะตอนนี้ซากุระก็ร่วงไปแทบจะหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ปุ่มสิบเจ็ดสิบแปดแล้วค่ะพระอาจารย์อมีอะไรไหมวันนี้เข้ามาเรียนรู้ค่ะไม่มีคําถามค่ะโอเคไปที่ท่านต่อไปนะ คุออมจากบอเวนชนมาใหในมัธยการค่ะไม่มีคําถามค่ะอ่ไปที่คนพัฒนาบอกวินเหมือนกันกร่าวนมัธการพระอาจารย์ต้องการวันนี้เข้าบรรวุฟังธรรมถัก็ัได้ได้คำตอบจากหลายท่านมาด้วยกันอาจารย์โอเคเราไม่ต้องถามไม่ได้คนอื่นตั้ถามให้เราเองต้องการหาดูต้องการโอเค ในที่เปนเอกเป็นเอก เ, เอกชิงรายน้องการมรสการพระอาจารย์ครับผมวันนี้กับโอกาสพระอาจารย์มีคำถามกับพระอาจารย์<ช>พระอาจารย์อธ<ช>ิบายเออยานรัศนะหนยครับพระอาจารย์ครับยานก็คือการแยงรู้ไงรัศนะก็คือเนี่ยทัศนะแบบรัศ น, นศึกษารัศนะคือการรับการรับรู้ เรื่อง <arrow> ที่ที่ญาณอย่างรู้ญาณนัทธสนานวิมุติมันต้ อ, อีกคําวิมุติญาณทัทสนาคือการอยากรู้ว่าจิตไดห้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วออทุกตัวสุดท้ายได้สิ้นสุดหมดตรงแล้วว <arrow. S 1> ิมุติญาณทัทสนะหรือจะเป็นขั้นขั้ น, นก็ได้ขั้นโสมัทขโสดามันก็มีวิมุติขั้นของโสดามันความทุกข์เดี่ยวเก <arrow. S 1> ี่ยวกัขันห้าได้หมดชื่นไปแล้ว ท่านอาณคา ม, มีก็ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการมาการมาล้มก็หมดไปแล้วอขั้นสุดท้ายก็คือความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องจิตก็หมดไปอืเราเรียนรู้ติลดลดทุนจากความทุกข์เป็นขั้นๆไปขั้ น, นสวดามันขั้นสกิรนาคาสกิรนาคาญาณนาคานี่มันเป็นขั้นเดียวกัน ส ก, กิอาคาบุดทนได้ครึ่งเดียวบุดทนจากการารมณได้ครึ่งเดียวพระว่านาคาเนีบุดนได้ร้อยเปอร์เซ็นครับตาุ๋มาบุ๋าจานะาบุมานนายายาก็ญญาาคือการหยั่งรูง้การหยั่งรู้ว่าจิตของเราได้บุดทนจากความรแล้วทุกข์ ก, กับอะไรเราทุกข์กับเวทนาทุกข์กทุกข์ับเวทนาเราบุดทนจากทุกแล้ว ต่อันนี้เราไม่มีความทุกข์เรื่องความเจ็บไ่้ในป่วยแล้วครับผ ม, บผมดูดพ้นจากความตายนะแล้วก็แปลว่าต่อไปนี้เราไม่มีความโกรธความตายนะครับผ ม, บผมก็เป็นเป็นเอ่อยาณ ว, วิมุติครับ อ, อาจารย์ยานวิมุตติรครับวิมุตติยานะทัศนะอ๋อวิมุตติยานทัศน์อ๋อวิมุตติวนะคือการดูดพ้นจากความทุ อยาลัค น, นาคือการอยัง่งทราบมันมันเกิดขึ้นเองหรือว่าเรามันเป็นผลจากการใช้ปัญญาหยุดตัญหาความอยากของเราครับผมหยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเอพิจารณาด้วปัญญาต้องเจ็บต้องตายอายอมเจ็บยอมตายหยุดความอยากได้ความทุกข์กหายไปครับผมครับผมครับผ ม, มใชครับผม ครับผมเขา จ, จะรู้ จ, จากการปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่รู้จากการนั่งคิดเฉยๆมันต้องเจอของจริงต้องเจอเข้อสอบนะครับผมอย่างที่มีพวกคนที่เป็นคนป่วยมเมื่อไรขั้นสุดท้ายนี่ครับผมถ้าเขาสามารถทําใจรละความอยากไม่ตายได้ละความอยากไม่เจ็บได้เขาก็เขาจะรู้ว่าอตอนนี้เราไม่ทุกกับความตายแล้วไม่ทุกกับความเจ็บแล้วครับผม ครับผมครับ ต, ต้องมันต้องมีข้อสอบมันต้องมีข้อสอบต้อรู้ออกจากใจมาใช่ไหมอาจารย์มันต้องเกิดทุกข์ก่อนแล้วรู้ว่าทุกข์ที่ก่อนนี่ยมันดับไปแล้วดับด้วยปัญญาเพราะเราค้เพราะว่าความทุกข์ของเรานี่เกิดแต่ความอยากของเราครับผมครับผมครับผมเช่เวลาบางคนทุกข์เพราะสูญเสียคนที่รักไปอทำไงก็ไม่ไายทุกข์ยังคิดถึงคนที่ตายไปเรื่อยๆทุกข์ไป แต่พอวิวจารณาว่าความตายของธรรมดาตายแล้วไม่มีวันกลับแล้ ว, อ ย, ย ว, วอย่าเอากลับทำไมถ้าผมพอหยุดความอยากไม่ให้เขาตายได้หยุดความอยากให้เขากลับมานะให้เขากลับมาได้ก็ความทุกข์ก็หมดไปถ้าผมถ้าผมถ้าผมเข้าใจครับอาจารย์ครัตบตอนนี้เราคุยกันนะเป็นเร่ตอนนี้เราคุยกันไม่ใช่เป็นเรืจริงเรื่องจริงต้องเกิดเหตุการณ์จริง เป็นใครใครขโมยผ้าครับผ้าผ้าคณะของคุณไปเนี่ยผ้าผ้าแต่รู้จุดทุกขึ้นมาทันีให้ผ้าของกูหาไไปไหนวา <c oughs> แต่พอวิจารณ์ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยม <c oughs> ไปก็ไป <c oughs> ่านี่ไม่ผ่านอะไครับหลายทุกข์ต้งไปก็ไปไม่ทุกข์กมันครับผมครับผมครับกระดานขึ้นมาเลครับกระานครับในอานุทัศนะ รู้ว่าความทุกเกี่ยวกับเรื่องนี้หมดไปแล้วไม่มีความทุกเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอ๋อครับผมครับผมสว่างขึ้นมาเลยครับกบขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับผมก็ขอให้ท่าสามพระอาจารย์แข็งแรงครับผมสาธุครับผมปฏิบัติต่อไปน้ะปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ครับทุกวันครับเวลาน้อยลงไปเรื่อยเรืนะครับครับผมเพราะช่วนี้รู้สึกว่าปฏิบัติจะจะนิ่งจะ จะนิ่งจะสังเกตได้ง่ายว่าจะเข้าง่ายขึ้นครับอาจารย์เพราะเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดทําำทําติดต่อกันนะอาจารย์ครับสักวิกสองวิคนี้มันคือมันจะปวดขาปวดอะไรต้องต้องให้ในแฟนเหยียบให้อะไรเหยียบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์คือมันกายมันจะเบาไปเลยครับอาจารย์อครับกายเบาจิดมันก็เบาไปครับแต่ก็ไม่ถึงกับรวมมากแต่ก็รู้ว่ามันนิ่งก็เออมันนิ่งก็นิ่งรู้อยู่ครับว่ามันนิ่งครับอาจารย์ออ กาหายก็เดือแต่ลมก็บางทีลมหายก็ดูลมไปมันก็ดิ่งอยู่ครับอาจารย์ได้อยู่ครับเพราะช่วงช่วงเช้านี้บางทีมันคิดว่าช่วงเช้ามันจะมันจะมันจะสงบบางทีมันก็ไม่สงบแต่ว่าแต่ว่าตอนหลังวันนี้ผมผมใช้วิธีแบบแบบแบบเพ่งเหรครับอาจารย์แบบเหมือนเหมือนกระสีเหมือนเหมือนเพ่งไหครับอาจารย์เพ่งที่ที่ที่ลมเพ่งที่โพกจมูกเพ่งที่จมูกไปเลยอาจารย์นี่จุดเดียวไม่เกี่ยวลมหายใจอะไรนี่ครับอาจารย์ มันมันนิ่งมันบุ๊ปลงไปเหมือนกันเะครับอาจารย์ก็วิธีไหนก็ได้ไอ้มันได้ผลก็แล้วกันครับก็เลยใช้วิธีนี้โอ้มันได้มันแบบว่ามันเบาบางทีเหมือนตัวมันจะลอยจะยกเลยครัอาจารย์ครับแต่ว่ามันรู้ว่ามันนิ่งอยู่ครับอาจารย์ก็ก็สงบขึ้นนะครับอาจารย์ทำกลัทไากลับไปนะครับผมครับผมกลับขอบคพรอาจารย์ครับผม ค่ะค um, ุณที่คุณที่เม <si ื่วาน voicey v o i อ่านรล้ว voicey ใช่ไหมแใช่ค่ะปรับตระหนักการค่ะปจารย์หลวงพ่อค่ะเมื่อวานโยมได้ฟังปจารย์หลวงพ่ออธิบายเกี่ยวกับพรหมวิหารสี่วิหารแล้วข้อหนึ่งก็คือมีความเมตตากรุณาอันนี้ทำงานคู่กันโยม ขอความเมตตาจากพระจะอธิบายเมตตาโยมก็พอจะเก็ตคะ่ะแล้วมันแตกต่างจากการุามรู้สึกวิเคราะห์ไม่ค่อยจะชัดเจนนะค ะ, ะการุานี่เดี่ยวกันที่เราช่วยหรือให้คนเขาพ้นจากความทุกข์เวลาเ้าไม่มีข้าวกินเราซื้อข้าวให้เขากินนี่รกวการุาแล้วมันก็เหมือนเมตตาใช่ไหมคะมันก็เหมือนแต่มันก็ไม่เหมือนนะ เมตกาคือเราให้ความสุขกับเขาเป็นเราซื้อของเขาเมีของทุกอย่างแต่เราก็ซื้อของขวัญมาให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขแต่ของการที่เราซื้อของขวัญไปให้เขาทั้งทั้งที่เขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้เดือดรอนถ้าเราไม่มีของขวัญให้เขามันก็ไม่เดือดอนเป็นการสร้างมิตรภาพการให้ความสุขกับผู้อื่นนี่เป็นการสร้างมิตรภาพแล้วแล้วแต่ไม่ได้เป็นบรรเทาความทุกข์ของเขาก็ไม่เดือดรอนก็ไม่ไปฝากทุกข์ แต่ลยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าการุณาเขาบอกกรุณาคือการเป็นบรรเทาทุกข์เช่นคนไฟไม่บ้านไม่มีบ้านอยู่อยากหาบ้านให้เขาอยู่หรือน้ำท่วมไปเอาไปส่งข้าวสารอาหารแห้งไปให้เขาเนนี้เรียกกรุณาบรรเทาทุกข์เขาว่ากรุณาเพราการบรรเทาทุกข์ก็คือใส่แอคชั่นลงไปใช่ไหมคะคือเมตตานี้เกิดจากจิตที่เป็นอุศน ไม่จิตไม่เมตตาก็ต้องใช้ปฏิกิรเช่นเวลาเจอใครก็ต้องยิ้มให้เขานะเมตตาแสดงความเป็นมิตรเนาะเมตตาเราต้องแสดงความเป็นมิตเวลาเขาทำให้เราโกรธล้วก็ให้อภัยเขาด้เมตตาคนละแนวมันคนละเรื่มันก็ยังไม่ยังไม่เก็ตวันที่นเปอร์เซ็นต์นะคะพายจาย์ค่ะขอย้ำเลยคือโยมฟังครามะของพายจารอย่างเนี้ยเวลา เวลาใครก็ทําให้คุณโกรธแล้วคุณคุณก็ไปด่าเขาไปว่าเขาอย่างนี้แสดงคนไม่มีเมตตาแล้วคนอย่านีถ้าใครก็มาทำาคุณโกรธแล้วคุณเฉยๆว่าไม่เป็นไรเช่นเขาอาจจะขับรถมาชนรถเราอย่างเงี้ยแล้วเราไปโกรธรับเป็นี่แสดงเราไม่มีความเมตตาถ้าเรามีความเมตตาเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรยูกทอยอะไรอคือ เมตตากรุณางูที่ตายอุเบกขาอันนี้ต้องทํางานร่วมกันทั้งหมดไม่ไม่น้อแต่กรณีไงถ้าใครพบทุกข์ยากเหลือร้อนเราก็ใช้กรุณามันเท่าทุกข์ให้เขาถ้าเขาได้โปรโมชั่นเขาได้เด็กได้ดีเขามีความสุขความเจริญแล้วก็สแสดงความยินดีไปกับเขาไม่ใช่ไปสแสดงความอิจฉาริษยาในเวลาเล่นกีฬาแข่งขันกันเราแพ้เขาชนะเราต้องไปสแสดงความยินดีกับเขาไม่ใช่มา บ่นมาโอนกรรมการเนีย่ยมุสอย่างนี้อะไรเขาเล่นโกงอะไรีแสดงว่าไม่มีมุลิตาเนี่ยไม่มีน้ำใจไม่มีน้ำใจนักกีฬาไม่มีมุลิตานี่มั น, นการแสดงน้ำใจของนักกีฬาแพ้ก็ต้องยินดีต้องยอมแล้วว่าเราแพ้เขาชนะก็ื่อเรายอมแล้วว่าเขาชนะต้องแสดงความยินดีกับเขา เราไปศึกษาเยอะไปศึกษาดูาแล้วมือที่บายเขอบคุณ hmm. ค mm ่ะโอเคไปที่คนที่สารต่อ LA กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้รู้ไม่มีคำถามอะไรค่ะก็ยังเพียรปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะก็ก็ล้มลุกคุกคานต่อสู้กับเวทนาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสู้ไม่ถอยค่ะ โอเควันหนึ่งเผ่านได้นะวันหึงต้องผ่านไหวมันเกไปเราไม่ต้องไปอยากให้มันหายเนี่ยมันหยไ่ได้เรงของมันไปค่ะพระอาจารย์คือพอมันนั่งนานๆแบบนั่งไปเรื่อยๆสงบแล้วก็นั่งต่อแล้วก็บางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบแต่ว่ามันก็มีเจอวัฒนาบ้างไม่เจอบ้างแต่แต่ลูกก็รู้สึกว่าลูกก็มีลูกก็สนุกกับมันนะรู้สึกแบบ มันจะต้องแบบเหมือนบางครั้งบางทีก็แบบสู้มันได้ก็รู้สึกเออวันนี้เราสู้กับมันได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์<ด>ก็<ด>ปฏิบค่ะเพียรปฏิบัติตลอดค่ะก็ทุ่มเทแต่ไม่คาดหวังค่ะพระอาจารย์ออทําให้ดีที่สุดได้แล้วก็ว่าไปตามมีตามเกิดไปค่ะพระอาจารย์พอยึดคํานี้แล้วลูกแบบรู้สึกสบายใจเบามากๆเลยค่ะคือบางทีแต่ก่อนแต่ก่อนลูกจะค่อนข้างคาดหวังมันนะคะแล้วก็บางทีมันจะถูกก็ค่ะ แต่ตอนนี้ลูกก็คิดตลอดเวลาว่าเออเราต้องทำให้ดีที่สุดทุ่มเทแต่เราจะไม่คาดหวังะค่ะแล้วก็รู้สึกสบายเบาสบายค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคนะ่ะค่ะขอให้พระอา จ, จารย์พาตขันแข็งแรงนะคะรู้สึกอาทิตย์หน้าช่วงนี้พระอา จ, จารย์จะเทศเยอะอะค่ะใช่ไหมคะ้าวไ <c oughs> มูดตอโอ้โห <c oughs> ค่ะพระอาจารย์ยคนเมือม่อเมือม่อเมื่อสองาปีก่อนราเทศทุกวันเลย เออใช่ใช่ที่ตอน<ม>อยู่บนเข า, ขาพราอะอาจารย์เทศทุกวันค่ะลูกค่ะพระอาจารย์ค่ะ ข, ขอให้พระอาจารย์พาขันแข็งแรงค่ะลูกก็จะปฏิบัติบูชาค่ะอ่สีสาธุค่ะสาธุค่ะคุณเบลีกลับถึ่มากน้าเลยมาอยู่บนเขากลับลงพ่อค่ะถึงตอนนี้กลับมาที่นครนายกค่ะเออไม่ได้ไปเทีกรุงเทพเลย อมไม่ได้ไฟค่ะเพราะว่าวันพรุ่ง น, นี้หยุดใช่ไหมคะหลวงพ่อหนูก็เลยมานี่เดี๋ยวค่อยกลับไ ป, ไปา จ, าจากชลบนทีไปสายไหนอะไปสายบางทาูทองมาทางบางขาค่ะขอา<ะ>ไปทางจ่าชิมศาวนัองค่ะเดี๋ยวตามทางเล้ไปค่ะหลวงพ่อเป็นยังไงก็ดีค่ะหลวงพ่อไปถึงวันเสาร์ หนูก็ไปถึงช่วงบ่ายแล้วค่ะตอนตอนช่วงเช้ารถรถเยอะรถติดเหมือนกันคะ่ะไปถึงช่วงบ่ายแล้วก็ไปถึงหนูก็เริ่มเริ่มเลยคะ่ะหลวงพ่อบ่ายประมาณบ่ายสองหนูก็ปฏิบัติเลยคะ่ะออกมาอีกทีเกือบหกโมงเย็นนะคะหลวงพ่อนหนูตกโอ้โหแบบแปลกใจแล้วก็ดีใจว่าอ้ไม่มันมันไวมากเลยนึกว่าแป๊บเดียวอะไรนะะี่ค่ะที่มันจะบอกดีนะที่มันเยี่ยมไม่มีอะไรรบกวนเรา ค่ะแล้วก็คือก็ปฏิบัติสี่สี่ประมาณสี่ชั่วโมงค่ะหลวงพ่อ<ม>แล้วก็ปฏิบัติทุกทุกวันแบบเยอะๆค่ะหลวงพ่อพักห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงที่ที่หนูหนูฝึกอะค่ะหนูจะอยู่กับลมหายใจอ่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ตอนที่มันยังไม่รวม ก็จะดูลมดูลมไปเรื่อยๆแต่พอช่วงที่มันเหมือนใกล้ใกล้ใกล้จะรวมอย่างนี้ค่ะหลวงพอ่อลมมันจะเบาแล้วก็ค่อยหายไปแล้วก็ร่างร่างกายเนี่ยเหมือนค่อยๆวางวางลงไปเงนี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วก็ข้ามข้ามความรู้สึกมาอีกห่วงหนึ่งอะ่ะคือสงบสงบนิ่งอยู่เฉยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเออเจ็บปวดทรมานอะไรอย่างนี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วก็ สติหนูมันวิ่งไปจับตรงท้องอะคะ่ะตรงพุงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือรู้รู้รู้รู้รู้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรรู้รู้สึกตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อเหมือนมีสติมันชัดมันแจ่มมากเลยค่ะหลวงพ่อรู้หนูก็ทําอยู่อย่างเงี้ยรักษาอารมณ์ตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อไม่เคยทําได้เลยค่ะหลวงพ่อสามชั่วโมงที่หนูมีสติรู้อยู่ตรงเนี้ยชัดเจนมากแล้วก็ มันมันทําให้หนูนิ่งว่างๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมมันรู้สึกดีความรู้สึกตรงนี้หนูหาจะตรงไหนไม่ได้เนี้ยค่ะห <Hey, S 2> ลวงพเอใช่รถนะแท็กทําธรรมดารถแท็ปซ่ออกมาสามชั่วโมงช่วงช่วงที่มันจะคลายออกมาค่ะหลพ่อหนูจะกลับมาอยู่กับลม อีกครั้งหนึ่งนั่งนั่งดูลมเหมือนพักอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็มันจะกลับเข้าไปในสมาธิอีกอะค่ะหลวงพ่อจะจะเป็นจะเป็นแบบนี้อะค่ะหลวงแล้วก็พอหนูไม่ไม่ได้คือเหมือนกําลังสติมันหมดอย่างนี้ค่ะหนูก็จะออกมาแล้วก็มาพิจรารณากายอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อเออกายเนี่ยหนูหนูหมายถือว่าทั้งลมหายใจแล้วก็ ร่างกายของเราอย่างนี้ค่ะหนูพ่อคือหนูเพิ่งจะเข้าใจแล้วก็เห็นเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นตลอดเวลาแต่เราไม่ได้สังเกตหนูหนูก็ไม่เห็นตอนแรกไม่เข้าใจว่าอย่างลมหายใจเราเนี่ยมันจะแสดงไตรลักษณ์ยังไงหนูก็มาเห็นว่าตั้งแต่เราเริ่มนั่งดูลมเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าลมมันไม่ได้อยู่สภาพเดิมความหมายของหนูคือว่า นั่งหายใจเดี๋ยวหายใจเบาหายใจแรงหายใจตั้นหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันจะไม่อยู่ที่เดิมเลยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพและอย่างหนึ่งคือถ้าเราเราแบบเหมือนจะบังคับให้มันหายใจปกติอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้ยิ่งตอนช่วงที่มันจะเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ตอนที่มันจะไปสงบอย่างเงี้ยมันจะเห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าเราอยากให้มันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูเห็นว่า อ๋อจริงๆแล้วมันมันแสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นอยู่ใต้กดอันนี้จริงๆนะว่ามันไม่เที่ยงแล้วพอเราไปบังคับมันเราก็จะรู้สึกว่าเป็นทุกข์หายใจไม่ออกผื่นผากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราบังคับมันไม่ได้เงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอมามาดูกายกายกายของเราอย่างหนูนั่งปฏิบัติทั้งวันเกือบจะทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อใจหนูสู้ทุกอย่างแต่ว่าร่างกายของเราอ่ะมัน คือมันไม่ไหวก็คือเราเราก็ฝืนมันฝืนมันเท่าที่เราจะทําได้มันก็เลยทําให้หนูมองเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันชํารุดซุดโทมตลอดเวลาแต่เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้สังเกตถึงแม้เราจะแบบดูแลรักษาบารุงมันยังไงแต่สุดท้ายอะ่ะสิ่งที่หนูเห็นก็คือมันก็ต้องพังใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วมันก็ต้องกลับกลับไปสู่ที่เดิมของเขาอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อ แล้วแล้วตอนแรกหนูก็ยังมองเอ๊ะแล้วมันจะไปเชื่อมกับการเกิดยังไงเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อหนูก็เลยเพิ่งมาเข้าใจว่าถ้าเอ่อเราดับให้กายเราแตกดับไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวที่มันจะพาให้เราไปเกิดไปอะไรใหม่ใช่ไหมคะหลวงพ่อแต่ถ้าเราละเราวางได้ก่อนที่ก่อนที่ร่างกายหรือว่าขันเราจะแตกจะดับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะไม่ ไม่มีสิ่งที่มายุดมาเกาะหรือว่าเขาเรียกเรียกว่าอะไรนะคะหลวงพ่อสิ่งที่เราถ้าเราไม่มีกัณฑ์หาความอยากไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นร้อนเะก็ไม่ต้องไปเกาะด้านกายไม่ต้องมีด้านกายมันก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เราต้องเหมือ น, ม, ม, นมีความอยากใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยเพิ่งเพิ่งเข้าใจอย่างชัดเจนว่าออ ก, การที่เรามีสติ แล้วแล้วเราเอามาใช้เวลามาริจารณาตรงเนี้ยมันเจนเห็นแบบเป็นเส้นไปเลยหนูเพิ่งจะแบบเข้าใจคราวนี้ค่ะหลวงพ่อแบบมันชัดชัดเจนมากๆเลยหนูรู้สึกว่าหนูไปคราวเนี้ยคุ้มมากเลยแล้วหนูไม่เคยมีสติที่ชัดเจนขนาดครั้งไหนเท่ากับครั้งนี้เลยค่ะหลวงพ่อมันสามชั่วโมงนี่มันอยู่แบบมีสติทั้งสามชั่วโมงคือไม่ขาดเลยค่ะหลวงพ่อแล้ว แล้วตอนช่วงที่มันมีสติแม้แม้กระทั่งเราลืมตาสติหนูก็ไม่ขาดมันจะต่อเนื่องมันจะรู้รู้ในที่นี้อยู่กับรู้รู้ก็คือรู้สึกตัวตลอดที่เราไปจับอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเนี้ค่ะหนูพ่อก็คือหนูจะมาจับอยู่ที่ที่ท้องแทนมันจะเต้นเต้นเราจะรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอย่างเนี้ยหนูพ่อแล้วก็มันชัดเจนแล้วมันก็ไม่วอกแวกแล้วช่วงช่วงที่หนูมีสติตรงเนี้ย คือมันเห็นมันมีมันเห็นความคิดแค่มาจ่อรอแต่ว่ามันเข้าไปคิดไม่ได้คะ่ะหลวงพ่ อ, พอมันจะตัดจะตัดออกไปเลยคะ่ะหลวงพ่อโนแตสติเรดีมากสติเราดีครับแล้หนูก็เลยเหมือนพยายามที่จะปฏิบัติให้มันเยอะที่สุดที่หนูกลับเรียนหลวงพ่ อ, พอว่าหนูจะทำให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยคะ่ะหลวงพ่ อ, พอหนูก็ ต่ำต่ำสุงหรือของหนูคือชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างต่ำค่ะหลวงพ่อแล้วก็มาคราวนี้คือแบบเวลาได้เยอะมากค่ิบัติได้ได้เยอะชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแบบทําเต็มที่เลยค่ะหลวงพอ่อเดี๋ยวไปเราก็จะได้ความูมใจให้สมบูรได้ตลอดเวลาแล้วแล้วที่เราเห็นไตรักตรงเนี้ยมันจะสอนใจเราใช่ไหมคะหลวงพอ่อให้เรายอมรับ กับสิ่งที่ที่มัน เ, เป็นควบไม่ได้สิ่งที่เราควบคับไม่ได้ค่างกายเรามันจะแก่มันต้องแก่มันต้องเจ็บค่ะหลวงพ่อเราก็ต้องยอมทำใจยอมรับอยู่ประมันไปค่ะทั้งทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่สว่วนให่เรานั่งดีไม่เป็นต้นฐานนเรื่องไม่ดีที่เรายังเป็นปัญหานกับมันอยู่ค่ะแล้วถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ เหมือนระวังด้วยเราก็ไม่ทุกข์เข้ามาค่ะหลวงพ่อก็ไม่ทุกข์พอมพอไม่ทุกข์มันมันก็ไม่มีอะไรไปสะสมอยู่ที่ในดวงจิตดวงใจเราแล้วพอไม่ทุกขก็ปัญหาก็จบที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่ไม่ให้มันทุกข์กับร่างกายค่ะหลวงพ่อถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าอย่างเย็นอยังอย่างหยาดอยู่ค่ะหลวงพ่อเข้าใจนะเข้าใจค่ะหลวงพ่อโอเค มาตรงกางแล้วล่ะสลับกันปัญญากับสมาธิสลับกันทบเวลาทําทสมาธิก็ไม่คิดไม่พิจารณาทั น, นปัญญาคเวลาเอาใจสมาธิมาแล้วค่อยมาพินจนารณาทางปัญญาพิจารณาข้อตายรักในร่างกายค่ะหลวงพ่อคะแล้วแล้วเอ่อ พอต่อมาเนี้ยหนูต้องฝึกแบบนี้ให้มันมีสติแบบแบบนี้เยอะๆแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อมันจะยิ่งจะมาพิจารณาได้แบบได้เรียก ว, ว่าอะไระได้เร็วขึ้นได้เห็นเห็นอะไรก็ได้แบบใช่มันต้องไปดูตอนนี้เจอข้อสอบตอนนี้ยังไม่เจอข้อสอบตอนนี้เพียงแต่ทาการบ้านอยู่ค่ะหลวงพ่อเวลาไปเจอเหตุการณ์ที่มาสร้างความลึกให้กับเราเราจะดักมันได้ ท, ทันทีใช่ปะค่ะหลวงพ่ออืมนะ อัรนี้อย่ารุ่งไปชรล่าใจนะฮะการนี้มันยังแต่เป็นการทาการบ้านอยู่ยังไม่เจอของข้อสอบอยังไม่ไดเจอของจริงยังไม่เจอความเจ็บไข้เกิดไปหาหมอหมอบอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่ยจะได้เจอข้อสอบนะค่ะหลวงพ่อใครเป็นโรคอะไรเราเป็นโรคอะไรหรือว่าร่างกายเป็นโรคบะไรเนีนะ่ต้องพิจารณาแยกออกทันทีค่ะ<ช>หลวงพ่อ ค่ะแล้วมาภาวนาที่เขาคราวนี้ยมีมีมีแปลกๆหลายอย่างค่ะหลวงพ่อที่ที่กุดนะคะก็รู้ไปเฉยๆได้ไม่ต้องไปสนใจค่ะที่กุดมันไม่มีหรอกมันอยู่ในใจเรามากกว่าหนูคนหมือนนไก็ไป<ม>ก็ไม่มีก็ไม่มีแปลกมีเราแปลกแสดงว่ามันอยู่ในใจเรามัไม่ครับคือมาคราวนี้ยหนูนั่งนั่งปฏิบัติ อยู่มีสัตว์มาเยอะแยะเลยค่ะหลวงพ่อก็เป็นธรรมดาบ้านของมันป่าป่นบ้า น, านแล้วเราก็นั่งนั่งภาวนาไปหนูพ่อเขามดขึ้นทั้งตัวเลยค่ะหลวงพ่อแต่หนู<ม>ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปเลยค่ะหลวงพ่อ ม, มดมดขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แล้วก็เสียงดังบนหลังคาเ<ม>อาห น, นังคืนดึกดึกดังแบบตลอดเวลาเลยค่ะหลวงพ่อถือว่าเป็นข้อสอบมาแล้วกนะัน ค่ะหลวงพ่อหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจก็นั่งภาวนาไปเรื่อยๆค่ะพิจารณาเป็นายรักไปให้หมันเราบังคับมันไม่ได้ห้ามันไม่ได้ค่ะหนูก็รายงานส่งกันบ้านประมาณแค่หลวงพ่อใจเราต้องเชยกับทุกอย่างทุกเหตุการณ์ค่ะไม่ว่าเสียงกันีอะไรก็นี้ที่มาสัมผัสเรนเป็นแต่สัตนะว่ารูปไปอย่าไปทุ่มกัน ค่ะหลวงพ่อแล้วถ้ามีโอกาสหนูหนูจะไปอีกค่ะหลวงพ่อมันสงบดีค่ะเี่ใ่ต้องอาจจะต้องจองที่พักด้วยแนเ่นเลยมันอนนเดี๋ยวนี้คนเยอะใช่ค่ะดีกับไปเที่ยวดีกว่ไปเที่ยวดีกว่ไปชอไ้อปปิ้งดีกว่หนูยังไม่อยากกลับเลยค่ะหลวงพ่อแต่ว่า คิวเขามีคนมาต่อแล้วโอเคไม่เป็นไรนไปอาจจะไปหาที่ของเราเองก็ได้ค่ะหลวงพ่อขอบขอบคุณหลวงพ่อครับพระเจ้าแต่เพค่อใครจิ้มอยู่หรเปล่าจิม้มหลาเวลา USA มาแล้วแต่ลกมรดกครับอาจารย์วอ วันนี้ยังวิ่งไปวิ่งมายุ่งมากเลยค่ะวันภาษีวันอาทิตย์สุดท้ายของประเทศนี้อยอ่าเขาจัดสบายดีนะคะเขาทำทุกาค่าษีวันวันวันทิตย์สิบห้าเป็นแคสิบาษนวอาห้าคือปกติมันเป็นวันที่สิบห้าค่ะแต่ปีนี้เขาเลื่อนมาเป็นวันที่สิบแปดค่ะแต่ว่าจริงๆคือถึงแม้จะเลื่อนมาเป็นวันที่สิบแปดแต่ว่าถ้าจะมีคนอ ถ้าจะมีคนมา เ, าเลื่อนก็เลื่อนอีกถึงตุลาคมค่ะเลื่อนได้เลื่อน ไ, ได้ค่ะคือขยายขยายเวลาไปอะค่ะได้ <6 S 1> ค่ะอาจาร ย, ายก์ก็ประมาณสิบสิบห้าตุลาคมค่ะ <6 S 1> ก็บางค น, นใช่ค่ะบางคนแบนบมีธุรกิจอีเอกสารธุรกิจเขาอะไรยังไม่เรียบร้อยเหมือนอะไรปุ๊บ พาส์ต์รายได้ปันผลอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็จะต้องเอามารวมกันบางทีก็ไม่เรียบร้อยนะคะยังไม่โดนปรับยังไม่โดนปรับก็เขาเขายังไม่โดนแต่ว่าเวลาเราขยายเขาก็จะคิดค่าขยายาเพิ่มเต<อ>ิมค่ะ mm hmm. ใช่ใช่ค่ะลูกค้าเขาก็ยอมจ่ายค่ะเพราะว่าดีกว่าโดนปรับอะค่ะ mm hmm. ค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะโยมก็ uh, ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะบางวันก็ต้องยอมรับว่ามีมีเพียรแล้วก็หลับไป ก็ S <S มีค่ะแต่ว่าก็ให้ยาถ้าตื่นได้เพราก็พยายามแบบเปิดอย่างน้อยก็ห้านาทีสิบนาทีเพราะว่าบางทีแบบจะตื่นแล้วไม่มันต้องทํำหลายอย่างมากเลยถ้าลูกมาแล้วลูกเพิ่งเปิดเทอมด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยแบบจะพาลูกกลับบ้านกลับเมืองไทยหรือเปล่าโอ้ใจโยมมาอยากกลับมากเลยค่ะแต่ลูกปีนี้คงไม่ได้กลับค่ะเพราะว่าลูกลูกชายเริ่มโตแ ล, แล้วแล้วเขามีกิจกรรมแบบอินเทอร์นชิพอะค่ะ Mm hmm. เยอะยอพอสมควรเลยค่ะแล้วเขาเขาตั้งจะสอนเด็กน้อยที่แบบไม่มีที่ด้โอกาสจะสอนเขาทำขุนยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล mm ูก hmm. ก็เลยแบบว่าก็คงไม่ได้พาเด็กๆ ก, กับปีนี้ค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> แต่ว่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าแอบหนีไปคนเดียวไม่รู้ว่าแบบบางทีเขาจะไปอยู่กับพ่อเขาสามอาทิตยมก็จะว่างสาอาทิตย์ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้ายมไปคนเดียวมันจะเห็นแก่ตัวไหมแต่ว่าอยากไปปฏิบัติธรรมมากเลยปาถ้าสามอทิตย์ลาได้ค่ะก็แล้วค่ะพระจารรักษาสุขภาพนะเจ้าขา ค่ะยงกลับค่ะกลับสวัสดีปีใหม่ของไทยด้วยเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ที่ไม่งานคุณบอยคุณหลาดด้วยนะคะและทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีกลับจากประจันค่ะอันนี้กลับมาอยู่อนไทยนะเดวิดอยู่หรือเ่าเดวิอยู่ค่ะอือดูก็เลยเพราะว่า เขาฟังภาษาไทยแบบถ้าเกิดทางด้านธรรมะเนี่ยเขาจะฟังแบบไม่ค่อยไม่รู้เรื่องทำไ ม, ไม่เข้าใจทานด้วยใช่ใชแต่เขาก็ดีใจค่ะที่กลับมาแล้วมาเจอท่านอาจารย์ก็ผมก็ดีใจนะคะท่านอาจารย์ค่ะแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเหมือนกับเพื่อนเพื่อ น, อนกาลยันวิทุกทุกท่านเลยค่ะอาจารย์แต่คนก็ไม่เหมือนกันน่าแต่ ทำหน้าที่อะค่ะท่านอาจารย์แต่ันูก็ปฏิบัติไม่พลาดอา<ม><บ>จารย์หนูก็ไม่ได้เคยล้าค่ะก็ทำทุกวันลอดท่านอาจารย์ไม่เคยขาดค่ะโอเคทำไปเรื่อยนะขอบคุณค่าอาจารย์ในอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์คุณวิไลปล่กล้องไหมคุณวิไล จ, จะพูดไหมทําไมพูดจะข้ามไปก่อนนะเ่ถ้าเราอยากจะพูดต้องเปิดกล้องนันนนี่ค็พัทละพรมีเลโอ บัวชมบัวชมราการค่ะอม่สาน้องเป็นแฟนเ่ยครับคิสเตร์ครับตอนน้าิสเตอร์คก็ลับมาบ้านแม่ถึงไดเข้ามาได้ถ้าเราไม่กลับมาบ้านแม่เขาเข้ามาไม่เป็นนี่เข้าได้เหรอครับเข้าหนูพ่อเจ้าขามันมันอยู่กับความสงบแล้วมันไม่อยากจะจะ พูดจะคุยจะยุ่งอะไรกับใครเลยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม่ขาดไม่ไม่ขาดนะคะหยุดนะฟังอยู่นะพอคุณกมันมันเหมือนเราสงบเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะมันสงบแต่ยังไม่ทุกกับความสงบกมาแล้วกันนะยังไม่ไม่ไม่ทุกเจ้าค่ะเพราะมันเพราะค่ะมันมันมันมีมันรู้สึกมันมีความสุขมันสงบเย็นแล้วแบบ ไม่อยากไม่อยากยุ่งไม่อยากจะยุกใครอะไรนะเจ้าคหลวงพ่อเพราะ ย, ยั ง, งย้ายมันเกิดความทุกใจขึ้นมาก็เวลาที่เราต้องยุ่งบางทีก็ต้องยุ่งมันต้องยุ่งค่าก็ก็รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาพอมามต่อเ น, นี่ยังยังถ้าถึงซูมแล้วแบบอยู่ในรถที่สามีขับรถแล้วเราจะแบบ เล่งเข้าอะไรแต่อย่างนี้ตอนเนี้ยอืมก็วางเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มนกันไม่ได้คือไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรดูย้อนหนละังก็น่าสนาุกก็แต่ว่าก็จะถึงเวลาเขาก็จะจะรู้จะเพียงแต่รู้ก็ไม่ได้เข้าบางทีไม่ได้เข้าแต่นกันกปั้นอกระฆาายอยู่กับความสงบเจาค่ะแล้วก็ก็ก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างอย่างเรื่องที่แบบเหมือนลูก ไม่ไม่อยากจะหลวงพอ่อเจ้าค่ะแบบพอมันปล่อยแล้วมันไม่อยากจะไม่อยากจะเสริมสวยไม่อยากจะทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณสามีเขาก็บ่นเขาเขาก็ <onos S 2> <gas m. S 2> บน่นเขาก็บ่นอะไรเงี้ยญาติเขาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ก็มีญาติมาแล้วก็เขาบอกให้เราไปทําสีผมหลวงพ่อเจ้าค่ะใจมันไม่เอาค่ะมันไม่มันไม่เอาแล้วก็บอกช่างขเขาก็ไปบอกช่างว่าต้องทําให้จัสมินนะโยงก็บอกช่างว่า อยู่ไม่ต้องทํำสีฉันอยู่แค่ฉีดสเปรย์แล้พอฉี่สเปรย์รรรแล้วไปงานอนะ่ะเจค่ะสีมันก็ไอเนี่ยเขาก็บอกเราก็มาเราก็กลับมาพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเราไปทําให้เขาเป็นทุกข์ใช่ไหมเนี่ยเจค่ะแต่ทําให้สามีเราเกี่ยวขกับคนเราว่าต้องทําหน้าที่ของเ ร, เราลูกก็กลับมาพิจารณาว่าเอ๊ะเราตื่นตัวใส่ไหมอะไรอย่าเงี้ยลูกก็กลับเราต้องเราต้องรู้จักแยกแยะว่าความต้องการของเรา มันไปขัดกับหน้าที่ของเราหรือเปล่าแล้วอรยังเกี่ยวข้องกับคนไหนกขอยู่มันต้องต้องรู้จักเอาลูกมา่วยนะคอมเพลมไมซ์แบคซนใค่ะลูกก็เลยก็โอเคอ่าลูกบันเกิดเขาเขาสั่้เราไปทำสีทำสวยโอเคโอเคไม่ทำไปถ้าเราถ้าเราไม่ไปไปมีการเสียไปกับมันก็ไม่เป็นปัญหา ก็ตอนกลับมาเห็นว่าโอเคว่าว่าแยกใจกับกายเรามันแยกกันใจเรามันไม่อยาก gaan. เราทําเหมือนหลวงพ่อบอกว่าเราทําตามหน้าที่เจ้าค่าละลูกแบบรีแลกซ์สบายสบา ย, บายก็โอเคเขาาแล้วก็โอเคค่ะเขากลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ก็พิจารณาไปทุกอย่างเจ้าค่ะหลวงพอ่อ ไ, ไม่ว่าไม้สัตว์อะไรลูกก็พิจารณาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทุกขเ์เพียงแต่ลูก ก็ไม่เข้ามาก็ฟังอยู่ด้านนอกตลอดไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่มีโดดค่ะจะโดดนอกจากเวลาจะขึ้นเครื่องบินแล้วแบบนาทีนั้นจะต้องปิดละเจ้าค่ะก็จะจะแค่นั้นแต่ว่าจะไม่จะฟังอยู่ด้านนอกตลอดนะคะแล้วก็ไม่ย้อนจ้าค่ะสช่ค่หลวงพ่อจ้ะค่ะลูกอ่าฝากอาจารย์อาทิตย์อ่าทิตย์บัวช้านี่ก็มาถวายของนใช่ไหมคะ ให้เจ้าค่าะเรถาวายวันเกิดแล้วก็มีมีฝปักใจปัจจัยาเอาเงนเข้าบัญชีให้เรียบร้อยนะท่าอ๋อเจ้าค่ะลูกขอพรขอไม่เกิดเราจ้าค่าหลวงพ่อเช่ไหมอยากกับ ม, มันเกิดเลยเกิด <ๆ S 2> แล้วเป็นทุกข์นะทุกข์เย่องไม่ดีกับผู้ไปเกิดอนันต์สาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วขอพร อ, อีกอย่างหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอพอนให้บ้านเสร็จเรียบร้อยสัทีเจ้าค่ะตอนเนี้ยมันเหลือเรื่องเสาไว้น้ําบ้านหลังใหม่ที่ที่ทะเลาะกันเรื่องพื้นเรื่องอะไรนะคะตอนนี้เหลือซัมเมอร์นี้ก็อยากจะให้มันเสร็จแล้วเร็วเพื่ อ, อที่จะย้าอยาอย่าไปอยากเลยได้เสร็จเมื่อไรก็เสร็จเมื่อนั้นนะถ้ อ, อยู่ปัจจุบนนันเราไม่ได้อยู่บ้านเราเหครับตอนน<อ>ี้เราชาวบ้านกั็เลยไม่ไม่เป็นไรก็ยังไปที่อยู่ก็อยู่ไปก่อนทํางวัน้นมันไม่เสร็จก็ไม่เสร็จมันเสร็จก็เสร็จต้อดูความจริง อย่าไปอย่าไปดูความอยากมันเหลือระบบระบบร้อนแล้วก็สาไวน้ำใช่ไหมครับหลวงพเย็นเดียรรเยเด๋ยวมันก็เสร็จใจเยนเมันก็เสร็จเย็นจะหมดตอนนะฮะถัดมาลอนดอนมาหลังนึงแล้วนะเจ้ค่ะก็ขายที่นี่ไปอีกหลังนึงก็งไปลงอันนี้เยอะเ้าคหลวงพ่อมังเป็นไรทํางานได้แหละมันทําไปแล้วเนี่ยก็ต้องทําต่อไปให้มันเสร็จ ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเราก็กราบสวัสดีปีใหม่หลวงพ่อค่ะขอให้หลวงพ่อแข็งแรงนะจ๊ะค่ะเป็นโลกลูกหลานไปตามนะเจ้าอย่าอย่าไปทุกข์กับอะไรนะอย่าไปทุกข์กับบ้านบ้านจะเสร็จไม่เสร็จก็เลิกกับมันแล้วเราต้องไม่ทุกข์กับมันนะเจ้าค่ะลูกก็ไม่ทุกข์กับแต่คนนี้ทุกข์สามีเขาจะของเขาไม่ใช่อเรา แต่ก็เหนื่อยนะก็หลวงพ่อเจ้าคขาเพราะมันต้องวิ่งไปวิ่งมาส่งบ้านอย่างเงี้ยเจ้าขาจะกลับเมืองไทยอะไรก็ก็ไม่ได้ถ้าเรากลับแล้วเหมือนเขาก็ทิ้งเขาเหมือนเหมือนไม่ได้เป็นกําลังใจให้เขาอย่างเงี้ยเจ้าขาหลวงพ่อทูกกับคนของคนมีเงินก็เป็นอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีงเงินัขาก็เป็นต้องเปลี่ยนบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่เขาก็อยู่กับบ้านเก่าไปเรื่อยๆเจ้าคาหลวงพ่อมีเงินแล้วมันทุกไหมมีเงินแล้วมันทุกไห ซึ่งไม่มีดีกว่าอยู่ตามมีตามเกิดอยู่ที่ไรก็ได้ใช่ไหมขอถามหลงพ่อชอบฟังยอมเงียอะไรเลยไม่มีครับโอเคจะมาเมืองทยเมื่อไหร่ะยังไม่มีแผนเครับไม่มีกาหนดนะยังไม่มีแผนไม่มีสัญญากับไม่มีสัญญากับคู่ค้าเลยอันนี้ยังไม่มีเลยครับก็หวังว่าจะมีครับเพราว่าช่วงนี้ต้อง ธุรกิจไม่ค่อยดีเหมือนกันองาขอจไนอตาครับเหมือนช่วงนี้นักบอลขายไม่ค่อยออกครับโอเคใจเย็นๆอยู่สบายๆไปตามีตามกัแล้วก็จะแฮปปี้นะสังค่หลวงแฮปปี้ไทยนะคะอสวัสดีทุกทุกท่านแล้วก็แฮปปีายากาลยานมิตรกาลยานธรรมทุกทุกท่านด้วยค่ะ ไปที่คุณหน่อยชายนิสกอธมอยังยังยังชอบอยู่ว่ะก็ยังมีเจ้าขายังมีอยู่นะเสื้ออะไรกันนักนะขนาดว่ามีเต็มตู้เสื้อผ้าก็ยังไม่มีชุดใส่นะสักเ้าไม่รู้จะใส่ เรจะสส่ชุดไหนนะสส่ชุดวันเกิดดูเลยก <laughs> ็เป็นปัญหาของผู้หญิงจะกคถามว่าทอาสมัยนี้เขาชอบใส่ชุดวันเกิดกันสังเกตไปไปงานไหนเขาเข า, เขาแก้ผ้าเลยนะีอน้อมืมในมองไม่ไม่ไม่คือมันเป็นการมันศิละปะอย่างหนึ่งในการแต่งตัวมันก็ ถ้าถ้าเปิดเผยไปไม่ไม่ชอบแบบนั้นเจ้าค่ะาบางเกินไปก็ไม่ดีน้านเกินไปก็ไม่ดีนะใช่เจ้าค่ะก็ชอบที่บอกว่า อ, อ่าสายกลางดังสายกลางดูดีแบบคือมีเรื่องจะคุยกับพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พอดีอาทิตย์ที่แล้วไปคำชะโนดมานะเจ้าค่ะ ไปอุดรมาแล้วทีนี้คือก็ไม่ได้ไปไหว้ขอพร อ, อะไรหรอกเจ้าค่ะแล้วทีนี้คือเด็กน้อยที่อยู่ที่บ้านที่ไปด้วยนะคะเขามีความสงสัยแล้วอ่วันต่อมาก็เลยไปแต่แต่หยุดข้อสงสัยตรงนี้ไว้ก่อนนะจ้าคะแล้วทีนี้วันต่อมาก็เลยไปวัดถ้ำน้ำทิพย์ไปไหว้หลวงปู่ของเจ้าค่ะที่วัดถ้ำน้ำทิพย์ที่หนองบลําำพูที่ทีอ่อม ป่าอ่ำภูพานหนองบัวลำพูอำเภอเมืองวัดป่าทํำน้ำทิพย์เจ้าค่ะคือนจํจำได้แค่นี้แล้วที่นี้พระเด็กสงสัยก็เลยถามหลวงปู่ท่าน ถ, ถามเกี่ยวกับว่ามีพญานาคมีจริงไหมเจ้าค่ะห mm hmm. ลวงปู่ก็ตอบว่าเขาก็คือสัตว์เดรัจฉานที่ยังมีอิทธิฤทธิ์และก็ยังมีทุก เจ ard, like. ้าค <aries> <t hat> ่ะหลวงปู่เผาอย่างนี้ก็เลยแล้วก็เลยสงสัยว่าเราต้องไหวไหมเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราเราอยากจะไหวก็ไหวนะไม่มปนข้อห้ามเมื่อไหวก็ได้ไหวก็ได้บางคนไหวแม่กัดต้นตะเคียนเขาก็ไหวกันต้นไม้เขาก็ไหวกันมันเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนนะ แต่สิ่งที่าควรไหวก็คือสิ่งที่มีพระคุณกับเราบุคนที่มีพระคุณกับเราเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงค์บิดามารดาอุบาจาร์บุนคคลที่เราหรือพระราชามหากษัตริย์อะไรเจ้าค่ะอยากอยากจะไหว้ววะอะไรก็ไหว้ล้วชาวบ้านบางทีเจออะไรก็ไหว้เลยหมดนะะอืมเจ้าค่ะไหว้เพื่อขอหวยกันมีแค่ไรขอเลขค่ะ <c oughs> <c oughs> ไหนก็คิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าไปขออย่างเงี้ยถ้าขอรางวัลที่หนึ่งก็คงเข้าคิวนานนะเจ้าค่ะก็ไมาได้ก็เลยไปแบบก็คืออ่าด้วยความที่ที่จริงอ่ะอันนี้คือทำไม่ถูกก็คือว่าลูกสาวเขาบ่นไว้นะเจ้าค่ะก็เลยไปไหว้แก้บนอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมัน ตามหลัพกพรษษะพุทธศาสนาไม่มีใช่ไหมเจ้าคะไม่มีหลักขอขอบนอะไรมันมันจะได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เราไปขอมันอยู่ที่เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของมันจะได้มันก็ได้ของมันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การขอของเราแต่ถ้าเามื่อเราทําไปแล้วเราก็ต้องไปทําตามตามตามประเพณีครับเ่าบนแล้วมันต้องไปแก้ด้วยแล้วต้องทำตามประเพณีแล้วก็จะค่ะก็บน แก้บนก็คือว่าไปไปให้รู้ว่าไปเจ้าค่ะแล้วก็ไปไหว้แบบ<ม>ก็คือถ้าถามใจหน่อยหน่อยคิดเป็นเหมือนไหว้คารวะที่แห่งนั้นคนที่สินสถิตที่อยู่แห่งนั้นเจ้าค่ะ<ม>แล้วก็หน่อยตัวหน่อยนี้ศรัทธาพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็คือนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอาแบบศรัทธาสุดอยู่แล้วเจ้าค่ะอ็<ม> คิดประมาณนี้เจ้าค่ะไม่รู้ว่าคิดถูกไหมเจ้าค่ะก็อย่างที่บอกอะอยากจะไปไหว้ใครว่าก็ได้嘛ศาสนาก็ไม่ได้ห้ามห้ามไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็พื่อสอนว่าสิ่งนะที่เราควรจะไหว้คือคนที่เขามีพระคุณกับเราคนที่เขาดีกับเราอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ถ้าใครยากให้หวยเราเขาก็ดีกับเราแล้วไปไหว้เขาก็ได้ ไปไปจอดรถเขาให้มาอืมโบกรถให้อย่างดีตอนแรกหน่ยก็นึกว่าจะไม่เสียอะไรขายห้วยมาทีแปดห้าใบสิบใบแล้วก็เลยต้องอุดหนุนนะเจ้าค่ะเนี่ยคือข้อเสียของการใจอ่อนหน่อยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเจ้าค่ะไม่เป็นไรมีความเมตตาเปความปรนนทาสงสารเข้เพราะเราบากยากเย็นจะซื้อไหม จอเป็นการทำบุญไปแล้วกันจะถูกไม่ถูกก็อย่างนียเองเจ้าหาไหนก็คิดอย่างนี้มีเาก็จะมีความสุขได้เจ้าขาคิดแล้วก็จเจริญสติตลอดนะเจ้าขาช่วงนี้ยุ่งย้ายบ้านเหมือนกันเจ้าขาอโอยย้ายสุดท้ายแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าสมถะดีที่สุด ก็ก็ทำไม่ได้อยู่ดีแล้วให้เวลาของการปฏิบัติมันนีงจะทำได้ถ้าเราไปทำอย่างอื่นมันก็จะมาทำใจให้สงบมั่งกยาเจ้าค่ะแล้วก็มีโอกาสจะไปใส่บาตรผ้าจรแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมเรื่อยๆนะเจ้าค่ะได้จ้ะสาธุจ้ะค่ะแล้วที่ไม่ มีอีกเรื่องหนึ่งถ้าหน่อยทำอะไรผิดแล้วก็ทุกคนและพี่ๆอากัลยาณิมีทุกคนพระอาจารย์ในขออโหสิกรรมนะเจ้า <Das>, ค <because of facade> ่ะอะใช่ๆสาธุค่ะไม่มีอะไรแล้วจ้ะค่ะสาธุสาธุอย่าเ่คุณต้ปฏิยาอนิตา น้อมกล่าวในมรดกค่ะพระอาจารย์ของลูกก็ค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะก็คือเองนะอคุณท่านแบบเต่านะท่านได้แต่ละก้าวเรืรู้สึกว่ามันยาวนานมากเลยพระอาจารย์จากทานก็เริ่มมีศีลแล้วก็เริ่มมีศีลได้ก็น่าจะเกิดทุกวันนะคะพระอาจารย์ น, านาย้าหนึ่งจะหลุดศีลทุกวันเลยแต่พ อ, พอจะก้าวไปทางภาวนา มันยังไปไม่ได้เลยอาจารย์ก็ค่อยๆไปไปที่สินแปดก่อนค่ะมันอของแบบนี้มันจะเป็นของเข้าไปเองใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องบังคับเราก็ต้องบังคับเขาด้วยอยู่ดีๆเขาไม่ไปแเราต้องดันตเอาผลัก ด, ดันครับเช่นมันพระเรามาถือสินแปดเดีวยวธรร ม, มาดาก็าถึงสินห้าไปก่อนค่ะ ถ้าเราเราเราอยู่วัดสักวันหนึงในวันวันพระนึงก็อันนี้กําลังกําลังคิดอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ยังไม่รู้จะไปยู่วัดไหนดีเพราะว่านยาดนี้ก็ได้นี่นี่นี่ยังไงไม่ว่ามันไม่ไม่สัปปอ่ะนี่ยังไม่เคยไปเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ยังไม่เคยออกจากบ้านไปวัดค่ะก็คือถ้าไปวัดถ้าจะไปแบบว่า ไปทาบุน mhm. หร was, <g transparen cies> ือว no, no, so 네네่าไปอะไรก็ยังไม่เคยนอนนอนว่าสักทีก็ต้องลองก็ต้องลองทําดี๋ยถ้าไม่ทํามันก็ไม่ถ้าไม่เริ่มทํามันก็ไม่ทํำนะถ้าอยากจะก้าวหน้าเราต้องต้องก้าวต้องมีก้าวและวไม่เคยทําก็ต้องลองทําดี๋ยเดี๋ยวไปลองหาเพื่อนไปสักคนกันไปชวนไปสอนไปกันไปที่วัดก็มีเพื่อนเยอะแยะเองเจอคนเยอะแยะเอง เหมน อ, อนมันยังกล้าก ล, กลัวอยู่ครับอาจารย์กลัวอะไรไม่ว่ามันปลอดภัยตายมันไม่ัวอะไยไม่มีอะไรน่ากลัวบของไม่เห็นนะครับอาจารย์อ๋อไม่แล้สิยิ่งน่ากลัวกีบกิเลสของเรายแต่แต่ยมเคยแบบฝันหรือว่ามันเหมือนมีจิตสัมผัสกับคนที่ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพรอาจารย์ แบบมาขอส่วนบุญนะคะอย่างถ้ากลับาที่เชียงใหม่ะก็จะเจอทุกครั้งเลยก็อุทิศให้เขาไปเนี่ยทํำบุญอยู่แค่ทุกครั้งที่เราทำบุญก็อุอทิศไปให้เข้าข อ, อุทิศนะคะพระอาจารย์พ่อเขามาขอเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าแต่ละแต่ละทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมาไม่ไม่ซ้ํากันนะคะพระอาจารย์หรือว่าเขารอหรือว่าเขาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ายังรู้สึกว่าเขาจะเจอเขาทั้งเชียงใหม่แต่ทัทง้งทั้งทั้งบ้านพัทยานนะไม่เจอ แต่ทางโน้นเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่นะพระอาจารย์นานๆไปก็จะไม่รู้ว่าจิตเราคิดไปเองหรือว่ามันเจอจริงๆคะพรอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เป็นจิตเราแั้วแหละเอาล่ะค่ะ mm hmm. วันนี้วันนี้ยราก็ไม่มีอะไรค่ะก็มา <Okay. S 2> ค่ะพระอาจารย์พยายามทำไปก็แล้วกันนะความพยายามอยู่ไหความสําเร็จอี่ไหนะ ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณมากครับต่อไปอันนี้จะแม่กับแจ๊ดที่มาสายมากเป็นยังไงไปไหนมาเลยครับผมไม่รู้การลมัสการมพระอาจารย์ครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับมีอะไรบ้างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้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 มีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นแบบ<ช>เราจะเป็นทายาท<ช>คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆั้นสือไป<ช>เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดน่ทวันนะัาา้นไนมะ่ใช่แต่เฉพาะวันพุธ น, นี้วันเดียวนะครับ อีกอย่างก็ร่างก า, ายมีอาการชาที่สองจำได้ไหมจำได้ค่ะครับจะสบการบ้านด้วยไหมอันนี้ส่งครับอส่งมาเลยผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่นในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดใส่ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายื่นในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันมะข้นน้ำตาดํามัเหลวน้ำลายน้ำบุบน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาดํามันค้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเยืนในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใม่ใช่น้อยใช้ใหญ่ปอดไไตผังเพืน ตับหัวใจน้ำเยื่อไรในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันและผลผมอ่า ไ, ได้ได้ยังไม่ลืมนะ้แาไม่ตลอดชีวิตเลยนะครับอ่ามันของไม่ประโยชน์เป็นเป็นมีดเป็นอาวุธไว้ต่อสู้กับกิเลสนะครับอืมแม่มีอะไรไหม ตอนนี้ยังอยู่ที่อังกฤษนะคะ่ะก็หนูก็ท่องพุทโธตลอดอนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งหนูว่าคิดว่าเอ๊ะมันไม่มีวัดให้ไปเลยมีแต่โบด น, นะคะแล้วมันก็มีคําตอบผุด ข, ขึ้นมาว่าก็ตัวเรานี่แหละวัดให้เราสงบกายวัดาาใจเราก็เหมือนอยู่ในวัดแล้วคิดแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องแล้วก็เลยมีสติและรู้ตลอดเราอยู่ในวัดเราอยู่ในวัดเราจะไม่ทําอะไร พระพุเจ้ตาตัดพระพระพุทธเจ้ากับสร้างรู้ในวัดหรือเปล่าคนต้นม้นั่นแหละที่ไหนที่สกบที่นั่นแหละเป็นวัดที่นนแน่อนอนถ้าเป็นวัดแล้วมีแต่น้องนำทำเพลงมีภาพ ย, ยนตร์มีงานวัดนี้ก็ไม่ใช่วัดแล้วเป็นคาลิเวลแล้ว <laughs> ตกลงไหม <laughs> ทั้เมืองไทยทุกวันเหตุการเป็นคาเนว่ากันหมดนะเ ป, นเป็นสถานสำราญเป็นสถานบันเทิงหาเงนินเข้าวัดอย่งนี้ดูพระพุทธเจ้าวัดของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเนี่ยตามป่าทางเขาเนี่ยละเป็นวัดพระพุทเจ้านะที่ไหนก็ได้ที่บ้านเราเลยก็ได้ที่ไหนถ้าเรา ทำกายวาจาใจของเราให้สงบว่าโอเคว่าเราเป็นวันละ ว, วันก็เพื่อทำกายวาจาใจให้สงบนี่เปมงคดีใกล้จะกลับหรือยังกับสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนนะโ okay. อเคที่ด้านนี่นจะลองสงการให้ไหนแบบไม่ดีนะไม่มีครับโ okay. okay. อเคนะทันีีก่อนนะ ครับ <vt ret ii> ขอบคุณพระอาจารย์ครับหมดเสลิงาร์แจ้งอัทิตที่แล้วไม่ได้เจอกันค่ะพระอาจารย์พอดีอาทิตย์ที่แล้วโยมพาลูกไปทำพาสปอร์ตค่ะกลับนรมัสการ์พักก็แต่โยมก็ที่นี่ก็มีงานวัดก่ะมพอดีว่าทางวัดเขาก็ต้องการความช่วยเหลือค่ะ ก็อตองแต่งานเพราะคนชอบ ง, งานได้ปไปนั่งไหว้พระส่วนาคนจะมันก็เข้าเลยได้่ค่ะเพราะจ้างคือเหมือนกับปกติเนี้ยทางวัดจะมีการจัดปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ช่วงใาไบอ่ะค่ะแต่เป็นเพราะว่าช่วงนี้อ ม, มีงานเขาก็ขอความร่วมมือกับคนที่เคยอยู่อยู่วัดเก่ามาก่อนเนี้นะคะ่ะโยมก็ต้องไปช่วยเขาอาทิตย์นี้นะคะ่ะก็หลอก รอเขาเรียกก็ให้จะไปเมื่อไหร่เพราะว่าจริงๆยมก็เป็นคล้ายๆกับคุณพัฒนาพรนะคะเหมือนกับอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้อยากทําไม่ได้อยากไปไหนไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวจนบางทีรู้สึกตัวเองแปลกว่าทําไมเราไม่อยากไปเที่ยวไหนเลยลูกหยุดอยู่บ้านเราก็อยู่บ้านอย่างนี้ค่ะมันก็แต่มันก็กลายเป็นว่าเราเราก็มีความสุขกับกันอยู่วัดที่บ้านเนะะี mm ่ยค่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆะคะ่ะอ mm hmm. ืนก็ไม่ ไปจะไปสู่ทา ง, ทางแล้วาจะแปลกจาชาวบ้านเพราะว่าทางองค์พระเจ้าเนี่มันมเป็นเรื่องทางเดียวค่ะทางชาวบ้านถ้าพระอาจารย์แต่บางทีมันมีความขัดแย้งกับลูกลูกของโยมเพราะเขายังเป็นวัยรุ่นเขายังอยากมันเป็นช่วงชีวิตที่เขาอยากเรียนรู้ะคะ่ะพระอาจารย์แต่เหมือนกับเราเนี่ยเราก็อยากเรียนรู้ทางธรรมแล้วแต่เขาก็อยากเรียนรู้ทางโลกเพราะเขายังต้องโตไป อ, อีกเราก็มันก็ทําให้เราต้องออกไปข้างนอกนะออกไปเรื่อยเรื่อเื่อื่อย การปฏิบัติมันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่อะค่ะอาจารย์งั้นตอนจับทาใจ เ, เพราะตอนนี้เรายัางมีผ้าล้างอยู่ค่ะค่ะอาจารย์ก็ปฏิบัติเป็นเพื่อนคนตายไปก่อนทาเท่า ท, ท, ที่เราทําได้ไปก่อนค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดอะค่ะอาจารย์ก็ทำปฏิบัติทุกวันเหมือนเดิมดีค่ะก็เลยเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็เข้ามากราบสวัสดีปีใหม่ไทยกับอาจารย์ด้วยนะคะ่สาธุเจ้าสาธุเจ้า แม่น้องเล็สสสาากสาลัญนครปฐมกล่าวสารทูบค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้ะมีอะไรไหม อ, อ๋อพระอาจารย์ข่ะขอเลาเรื่องปฏิบัตินะคะพอดีหนูไปเจอสถานการณ์ตอนกลับบ้านบนรถเมย์เจ้าค่ะขออนุญาตเล่านะคะพระอาจารย์เอาสั้นๆได้อย่ายาวมากเลยได้เจา้าค่ะพอดีหนูนั่งรถมีกลับบ้านใช่ไหมเจ้าคะแล้วทีเนี้ย หนูก็เล่นเฟซตอเฟซแล้วที น, นี้ยหนูก็เอาพอตอบเสร็จก็เอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าแล้วอยู่ดีๆมันหลับไปลืมจ่ายค่ารถเมย์เจ้าค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเอา้ากําลังมันจะหลับก็หลับไปเลยก็คุมร่างกายตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็จ่ายเงินให้กระเป๋ารถเมย์แต่เขาก็ไม่ทวงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยตลกไปเองว่าโอ้โหขนาดนี้มัน เหมือนคนไม่มีสติหรือเปล่าเจ้าคะาอาจารย์พระอาจารย์ถ้ามันหลับก็ไม่มีสติบางทีร่างกายมันอ่อนเพลินไม่ต้องหลับบ้างมันก็พอดาอ๋อเจ้าคะ่ะก็เลยก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกกระเป๋ารถมีมคือแบบขนาดหลับไ ม, ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้เจ้าคะพระอาจารย์ได้มันไปได้บางทีเราร่างกายอ่อนเพลินแล้วการทํางผ่อนมันก็หลับได้อ๋อเจ้าคะ่ะ นี้นะะก็<ต>เลยว่ า, นานนแต่ก<ร>็ไม่าเรา ไ, รได้หลับแล้วเรเต็่นขึ้นมาแล้วก็มีสติเต็มที่นะ่ะดูตัวใช่ เ, <ร>เจ้าค่ะเขาค่ะก็เลยบอกว่าโอ้เราก็เลยมาดูตัวแค่ร่างกายเราก็คุมไม่ไดจ้จิตหนูก็คุมไม่ได้สรุปหนูคุมอะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าปฏิบัติไปต่อไปแล้วอาจะคุมจิตเราได้แต่ร่างกายเราก็คุมไม่ได้นะมันร่างกายมัต้องแก่เจ็บตายไปตามไปนะ เจ้าค่ะก็พยายามปฏิบัติไปเจ้หาค่ะามีเท่นี้เลยต้องเท่านี้เจ้หาขาอาจารย์ก็ปฏิบัติคืออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คือหนูฟังพระอาจารย์มาตลอดใช่ไหมคะตอนแรกหนูก็เป็นพยาบาลหนูก็ดูหาสมุนไพรไทยแล้วก็ยาตะวันตกทําไปปฏิบัติไปปฏิบัติมาโอ้หนูก็เลยมาเจอธรรมะโอโสถเจ้าขาพระอาจารย์คือมัน ร่ากายแข็งแรงไม่ว่าหนูจะไปจังหวัดไหนหรือจะกลับมากลายเป็นว่าไม่ป่วยเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ค่ะสุขภาพแข็งแรงมากไปทํางานก็ยกของหนักก็สบายมากเพราะว่าคนอื่นเขามองว่าหนูต้องชัดแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะมีปัญหาเกี่กับสมองเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ทื่ว่าผ่าตัดเหมืนกระโหลกคือทําอะไรเยอะๆแต่ว่าทุกคนกลัวแต่หนูไม่กลัวตายหนูพร้อมตายมากเลยนะาพระอาจารย์แน่นะมันมีพลังใจมันมีพลังจิตเสมอ เจ้าค่ะพร้อมพร้อมตายมากเอ้าแล้วความตายก็หายไปไหนแล <c oughs> ้หนูกนแต่ก่อนเรากลัวรเราวิ่งหนีเจ้าค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ตอนนี้เอ้าพร้อมพรมมาเลยมาเลยกลายเป็นเอ้าหายไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทุกคนก็จะกลัวแบบสิ่งแวดล้อมบรรยากาศกลายเป็นว่าเออก็มาสีอะไรอย่างเงี้ย ก, ก็แบบมรร า, ก า, า, า, าสีอะไรกลายเป็นเราไม่กลัวกลายเป็นว่าโอ้หายใจโลง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนหนูเป็นลมพิษทุกปีลมพิษก็ไปก็ไม่มีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นโรคกระเพาะ ก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับโรคกระพาอะอะไรเงี้หนูก็เลยว่าโอ้หนูหายามันต้องเยอะมากมายสุดท้ายธรรมโอสถหนูขอยืนยันว่าซูเปอร์แบบเลิศเป็นเลิศมากเลยเจ้าข้าพระอ า, าใช่ใช่สุดถ้ารู้จัก<ช>ก็เลยเอามาได้ใช้ตอนพอหลังจากปฏิบัติมาเยอะหนุกินยานูน้นกินยา น, นี้สุดท้ายเราไม่ต้องกินก็เลยไม่ได้กินอะไรเลยเจ้าข้าพระอาจา้ายอมตายแล้วนะมันต้องกินยาใช่ไหม ใช่ใช่เจ้าข่ก็เลยบอกว่าโอ้โหเสียเงินมาเยอะแยะมากมายโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกก็คงจะไม่ได้เสียเงินเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเจ้ า, าสาใจอย่างเดียวร่างกายรักษามไม่ได้นยังไงก็ต้องตายอยู่ดีเจ้าขาะพระอาจารย์ก็เลยจุดนี้หนูก็เลยโอ้หาเงินมาตั้งเยอะอันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์จากที่ว่าก่อนหน้านี้หนูทํางานเอกชนหนูกลัวว่าถ้า หวยรักษาจะไม่มีเงินจ่ายก็เรียนมารับราชการพอไปม า, มาพอพาเสร็จพอถึงเวลาผ่าจนสำจนหมดแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหทะลุอย่างนี้ก็คงอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ <c oughs> วิ่งหากลัวว่าจะไม่มีตังค์จ่ายกลัวแบบกลัวตายไงพระพเจ้ า, า, าจารย์ <c oughs> ก็เลยไปหลายหลายที่ก็ได้ประสบการณ์เยอะมากค่ะโอเคท่านนี้ก่น ะ, ะนกนะ็ <c oughs> เลยบอกว่ า, วาโอนหัวหายามสาธุค่ะพระอาจารย์ ตัดต <Okay. S 2> ะทุคค่ะคุณตรักษ า, าใจไว้ให้ดีก็แล้วกันยันเือนทั้งหมด น, นะครับ <Okay. S 2> คุ ณ, คณร่งางอะไรสี่ยอดยอดหยืดเงย็นยิ้มไ ม, ไม่ไม่ทิ้งนะนะสี่ยอดนี่ใช้ไปตลาดชีวิตได้เลยนะขอบคุณเจ้าผักก็เหมือนที่เหมือนเหมือนพระไปเจอพระอาจารย์ทุกวันพระอาจารย์ก็ทักจนเหมือนเป็นตาประทับหน้าผากอะไนะเจ้าค่ะ พอพอเราจํำบ่อยๆอะค่ะเหมือนความจําเรามาเรื่อยๆค่ะพอเวลาเราจะปวดหนูก็จะนึกถึงตรงเนี้ยเมื่อ ก, ก่อนจะนึกถึงน้าอาจารย์ใแล้วก็ค 2, ําสอนดอนช่วงหลังๆเนี่ยพอเรารู้รู้มาเราก็จับอารมณ์ว่าเราจะโกวดได้ครับพอเรารู้ว่าเราจะกวดเราก็เลยมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นการปฏิบัติอัตโนมัติมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปเรื่อยต่อไปจะเป็นนิสัยไหม นะคะแล้วก็วันเนี้ยมีโอกาสได้ได้สนทนาธรรมกับน้องๆในออฟฟิศเหมือนเขาเขาพยายามศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะเจ้าค่ะในในบทสนทนาหลายๆตัวมันก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ที่มาจากความทุกข์ซึ่งความทุกทุกทุกท ก, กรณีคือจะเป็นตัวเล่งของการปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะแลมันเป็นตัวตนะ้นให้เราต้องมาดัาความทุกข์ในาสอบที่เราต้องทํมน ถ้าเราไม่คำจัดมันก็จะความทุกข์มันก็จะทําให้เราไม่สบายใจความทุกข์กกเหมือนไฟลุลนก้อนไฟล้วนก้อนต้องหาวิธีดับมันใช่ไหมค่ะเคยค่ะเคยเวลาเราทําอะไรที่ไม่ดีแล้วเหมือนเราไม่สบายใจแล้วมันก็จะเป็นทุกข<ะ>์ส่วนอีกอีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะเคยได้ดูคลิปพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เคยสอนเรื่องของ ออการปฏิบัติธรรมนะคะก็คือถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยการฟังธรรมการที่อยากฟังธรรมมันจะกลายเป็นกิเลสนะต้องบอกก็แล้วแต่ว่ามันฟังว่าเป็นไปมันก็เป็นกิเลสได้แต่ถ้ามันฟังเพื่อเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติมันก็ยังไม่เป็นกิเลสที น, นี้ถ้าฟังถ้าฟังพเพราะมันติดจะต้องฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นกิเลสขึ้นมา แต่ถ้าคือถ้าตารางเราเซตไว้ว่าวันช่วงเวลานี้ปฏิบัติแล้วเราต้องรู้ว่าบ่ายสองเนี่ยค่ะเราต้องฟังธรรมอันนี้มันก็คือเป็นเรื่องของการฟังธรมตามกาล ร, รู้จักว่าการฟังธรรมการตามการเป็นองคคลเป็นมันต้องฟังอยู่เรื่อเยเป็นระยะระยะเพื่อทบตัวนเพื่อเติมความจำแต่ไม่ให้ฟังว่ายึดติดจะต้องฟังอย่างเดียวถ้าไม่ได้ฟังก็รู้สึกขาดอะไรไปอย่างนี้ค่แสดงว่าเรื่อ เป็นกิเลสนะเจ้าค่ะเดีลูกสาวมากลับพระจันทร์ค่ะอ่าไม่ได้ไงไม่กลับเลยนะไม่กลับค่ะกลับวันอนี้ค่ะโอเคกําเรียนต่อใช่ค่ะอยู่ปีไหนน่นอะไร์ปีหนึ่งและวค่ะเดี๋ยวจะขึ้นปีสองแล้วค่ะไปสอบไปแค่เดียวไ ม, ไม่เกิเดเกิดดีมากนี่ค่ะแล้วจะเรียน ไม่เป็นไม่ต้องเป็นห่วงโอเคใจเย็นะเดี๋ยวกันจบแล้วเจ้าค่ะมีก็น่าจะเอาไปที่วัดไปฟังธรรมด้วยเจ้าค่ะโอเคในวันนี้วัสงการนะกำ บ, บุญบทำเทศทำธรรมกันโอเคไปที่คุณสุภัสการเท็กซัสเดลสอันนี้เอามาอยู่ข้างอาเลยกลนะับมามาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะออมาวัดเจ้าค่ะมาแคมป์เหมือนเดิมเจ้าค่ะ ด, <laughs> ด้วย อ๋อเรย์โรเบิร์ตพาร์คแถวเดนทันนะเจ้าค่ะทางเหนือของฟอร์ตเวิร์ดเดนทันเจ้าค่ะทางจากบ้านแค่ประมาณสี่สิบนาทีเจ้าค่ะก็มาแคมป์ก็เหมือนกับว่าได้ออกมาแล้วก็มาอยู่ในป่ามาตั้งเต็น์มาอะไรเจ้าค่ะียวข้าวก็เลยข้างคืนด้วยนะอาทิตย์หนึ่งเจ้าค่ะอาทิตย์หนึ่งอ๋อเจ้าค่ะก็สามีคุณดองก็นนทคุงไปทุ่ดอง หาอะไรท้าทายเหมือนที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะบางทีอยู่บ้านแล้วสบายไป uh, <okay. S 1> สามสามีเขาก็อยู่รถเทรลเลอร์ของเขาเจ้าค่ะลูกก็กางเต็นต์นั่งภาวนาอยู่ในเต็นต์เ uh, <okay. S 1> จา้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบท้าทายดีเพราะว่าเราก็กางเต็นต์นั่งบนเก้าอยู่บ้านนั่งบนเบาะแล้วก็แต่รู้สึกดีเจ้าค่ะสองเมื่อวานสี่ชั่วโมง อยู่ในเต็นท์สี่ประมาณสี่ชั่วโมงตอนเย็นเจ้าะ่ะสี่ห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วสถานที่เงียบสงบไหมสถานที่เงียบสงบไหมเจ้าค่ะเงียบเจ้าค่ะตรงข้ามกับเล็กเลยเจ้าค่ะก็เห็นเล็กแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้เจ้าค่ะแล้วตอนเช้าก็ไปเดินก็ถือว่าเดินจงกรมเดินตามเทรลอ่ะเจ้าค่ะก็เดินคนก็ไม่มีคนแม้รุ่งพระเจ้าค่ะเงียบเงียบสงบเจ้าค่ะเหมือนได้ออกมาแบบ ในทุ่งในป่าแล้วค่ะวันนี้ลูกมีค mm ําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกสามารถใช้อ่าใช้ความฝันประเมินสภาวะจิตได้ไหมเจ้าค่ะในความฝันมันก็จะบองเป็นตัวบ่งบอกว่าสภาพจิตเราเป็นยังไงเวลาเราเจอสถานการณ์อย่างนี้แล้วเราปฏิบัติอย่างไรกับมันมันก็แสดงออกมาว่าเป็นผลของการปฏิบัติของเว่าเราทํามาได้ถึงขีดนี้แล้ว อืมเจ้าค่ะคือวันนึงอ่ะเจ้าค่ะคือลูกฝันประจาอยู่แล้วแต่ถ้าฝันอะไรที่มันไม่คิดว่าเป็นประโยชน์ลูกก็จะไม่มาไม่มาวิเคราะห์พิจารณาแต่มีคืนหนึ่งที่ลูกฝันคิดว่าเราน่าจะเอามาวิเคราะห์พเพิ่มเติมก็คือว่ามีอยู่คืนหนึ่งลูกฝันว่าลูกมือมือใหญ่ๆลูกไม่เห็นว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่ามือมันใหญ่สีดํามาเจ้าค่ะแล้วก็มาปิดจมูกลูกเหมือนจะฆ่าแล้วค่ะจะฆ่าลูกทีนี้ในฝันเนี่ยก็คือ คือตอนแรกพอเขามาปิดเนี่ยมาปิดจมูกเนี่ยลูกลูกไม่กลัวตอนแรกนะเจ้าค่ะคือไม่กลัวก uh, ็มีความรู้ส yes. <si ึกว่าเอ้ยเราเราเราเราเราลองดูซิลอายอมตายซิว่าจะเป็นยังไงทีนี้พอเขาปิดไปถึงจุดหนึ่งอะเจ้าค่ะอ๋อแล้วก็ขณะที่เขาปิดเนี Resources> ่ยลูกก็สวดมนต์พุทโธพุทโธไปลูกก็ลูกก็พยายามจะพยายามรู้ทางว่าเออพยายามรักษาใจให้สงบทีนี้พอปิดไปนานๆเนี่ยเหมือนเดิมอะเจ้าค่ะก็คือ ไม่ขาดนะเจ้าค่ะก็คือลูกยังไม่ยอมอย่าอไรนะคือยังไม่ยอมยังไม่ยอมปล่อยอ่ะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะคือคือคือเพื่อนพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนเราก็ยังไม่ยอมปล่อยอ่ะเจ้าค่ะก็ยังแบบสมบัตแล้วก็ดิ้นอ่ะเจ้าค่ะแสดงว่าเราย่งยังตัดไม่ขาดแต่แต่ว่าอย่างน้อยลูกมีเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือตอนที่ลูกเคยเจอฝันแบบเนี้ยลูกแบบไปไม่ถูก แต่ว่าคือวันนั้นอย่างน้อยถูกค่ะูทางเจ้าค่ะเจ้าค่ะเสียงของพระอาจารย์เหมือนเข้ามาในฝันว่าพยายามรักษาใจรักษาใจให้สงบท่องพุทโธท่องพุทโธเพียงแต่ว่าพอถึงไปจุดหนึ่งที่มันจะมันจะต้องตายอะเจ้าค่ะมันยังมันยังยักษ์ยักษ์ยึดจิตอยู่ยักกลัอย่างยใช่ใช่เจ้าค่ะเหมือนตอนนั่งสมาธิมีครั้งหนึ่งที่ลูกบอกพระอาจารย์ว่าเหมือนจิตมันอยากจะระเบิดตัว สังขารร่างกายเราแต่ก็ไม่ยอม嘛เจ้าค่ะมันก็ดึงกลับมาแล้วก็เหมือนในฝันที่มันก็ยังไม่ยอม嘛เจ้าค่ะเรามาปฏิบัติป่อยเรามาฝึกบ่อ ย, ออยเข้าสมาี่ให้ให้เรื่อกว่านี้น้อสมาธิยังไม่เรื่องพอหรื อ, อยังพิจารณาไม่เห็นว่าภา ก, กายไม่เช่นตัวเราเป็นเพียงตุกาตาเป็นนินงน้าลงไฟอันนั้นพิจารณาให้บ่อยเจ้าค่ะก็คือต้อง สร้างกําลังสร้างกําลังของสมาธิใช่้วก็ปัญญาแล้วก็เห็นปัญญาว่านั่งการมีในตัวเราเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ลูกก็นําประโยชน์ของความฝันมามาทําให้เรามีความเพียรต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่สุดใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกลูกก็จะทําต่อเนื่องเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่อย่างน้อยลูกพอตื่นมาลูกดีใจอย่างหนึ่งคือเราเริ่มเห็นเริ่มรู้ทางแล้วว่าถ้าจะถึงถ้าจะไปไปยังงเนี่ย ได้เลยค่ะหัดตายก่อนตายได้เลยหัดตายก่อนตายได้ค่ะเยอะๆจุดสุดท้ายคือต้องถึงจุดที่ว่าเอาให้ถึงที่สุดปล่อยให้ตได้ค่ะตายเป็นตายต้องบอกเอ้าจะตายเป็นตายต้องตัดถ้ามีขาดไปเลยได้ค่ะเมื่อก่อนไม่เห็นทางเลยเมื่อก่อนดิ้นอย่างเดียวดิ้นท่านเลยคราเจ้าค่ะในฝันดิ้นดิ้นดินเตะนู่นเตะนี่ในฝันแบบโอ้โหทุรนทุรายมากแต่ตอนนี้อย่างน้อยเกือบครึ่ง เจ้าค่ะที่ยังพอเห็นแล้วเจ้าค่ะไปต่อเจ้าค่ะก็เหมือนยอมหยุดเย็นเนี่ยยอมตายแล้วก็หยุดต่อสู้หยุดต่อต้านแต่ใจมันจะเย็นเจ้าค่ะลูกจะพยายามสร้างสร้างกําลังในจิตให้ให้มากขึ้นเจ้าค่ะได้ไหมครับเจ้าค่ะสร้างกําลังยอมอย่าไปต่อสู้กาลังยอมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ฝึกฝึกก็เพื่อให้เราละกับทุกอย่างใช่ไหมเจ้าคะ่ะละหมดมให้มีกําลังในการละจะจะไม่จะไปก็ให้มันไปะเนอจะม า, าะให้มันม า, าทุกเวทนาจะมาให้มันมาร่างกายจะตายก็ให้มันตายนั่นเฉยอย่างเดียวคะ่ะลูกดีใจเจ้าคะ่ะอย่างน้อยสภาวะจิตของลูกก็ได้ได้อย่างน้อยก็ได้เห็นครึ่งทางแล้วเจ้าคะ่ะได้เห็นเห็นเห็นทางทางที่จะ เห็นมากแเห็นมากกันเดี๋ยวรอผลเดี๋ยวผลก็นำมาเจ้าค่ะไปเรื่อยๆเจ้าค่ะจะไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอกกกััเเเเดีี๋ยววนนนนนน้ผ่าาาตมมหห็็็ลสาธุสาธุเจ้าค่ะรู้ก็ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดีใจที่ได้เกษียณเกษียณเร็วเกษียณทางโลกเร็วสาธุกลับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างที่สุดเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแวเจ้าค่ะมันคือคุณหอสุทธันต์ธี อชื่อใครมาใสวันนี้พอดีว่าโทรศัพท์มันตกน้ําเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปปล่อยปลาแล้วก้มลงอ่าอ่าก้มลงอ่ะค่ะนะพอดีน้ํามันลงโทรศัพท์ก็เลยร่วงจมน้ําค่ะอ่าแฟนก็เลยไปหาเครื่องใหม่มาให้เจ้าค่ะไม่ไเปลี่ยนชื่อไม่ทราบว่าเขาใส่ชื่ออะไรเจ้าค่ะให้เป็นวลาแค่ะ ชื่ออะไรก็ได้แต่ตัวจริงรู้ว่าเป็นใครเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะท่านอาจารย์ปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะอยู่ท่าพันไปไหนมามาดีมาไปไปไหนเลยเจ้าค่ะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะโอเคดีขอใหเต็มที่นะจต่พยายามใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเจ้าค่ะโอเคดีมากขอบคุณค่ะ ไปที่ประเพสสกลนครการรำลึกการผู้อาจารย์ครับมามาครับอาจาย์เด็กอาจยคนเด็กอาจารย์บอกไปอุเบกขาหรือว่าการโดนทดสอบครูบ า, า อ, า, อบาจาราย์ทดสอบเนี่ยที่ว่าอไปโดนทดสอบหรืออะไรเนี่ยต้องอุเบกขาลงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า คนที่ยังฝึกจิตใจยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันอุเบกขาในระดับตามสติปัญญาของเขาหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ก็ได้ถ้าสติปัญญาได้มันทําได้เท่าไหรก็เท่านั้นนลยครับแต่ว่ามันก็ยังมีความมุดกิจความอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ก็แสดงว่ายังไม่ยังไม่อุเบกขาเต็มร้อยถ้าเต็ม้อแล้วเฉยๆเมันแฮปปี้อะไรก็ได้ด่าจะด่าก็ได้นะชมก็ได้ ครับเพราะว่าพวกที่เขาฝุดจิตใจตั้งมั่นเนี่ยเขาน่าจะใช้ปัญญาในการตัดตรงนั้นออกไปเลยอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับปัญญาก็มีส่วนตัดแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ตัดไม่ถ่ายมันก็ตัดไม่ได้มันไม่มีแรงตัดก็แห่ตรงที่ใจเขาตั้งมั่นแล้วอย่างพ่ออาจารย์บอกว่ามี ครูบาอาจารย์ท่านทดสอบว่าเออจะมาโกหกคุ ย, ย, ยโคโคโคต่อแหล่เนี่ยถ้าคนใจเขาตั้งมั่นเนี่ยเขาอาจจะใช้ปัญญาตัดไปเลยว่าเราไม่ได้ต่อแหล่นี่เขาน่าจะออเบีกดขาลงไปเลยอันจจะอาจจะเฉยเลยก็ได้อาจจะเฉยแค่ไหน ถ, ถ้าใจเราใครด่าก็ได้ชอก็ได้แล้วมันก็ใครจะพูดอะไรก็ได้เลย ค, ครับครับนั้นลบคนพอาจารย์ประมาณแค่นี้ครั บ, าาบอาจารย์ตามความคุ้ครับ อันนี้ต้งไปเร็วหน่อยคุณสภพรัตน์เดกหลายคนด้ยกันสพัพพะรัตนมาร์สการ์ค่ะอาจารย์อขอโอกาสแ่นหนูมีคำถา ม, มปกติหนูจะทำจิตรวมแล้วพ็เอินหนูฟังเทพธรรมะฟังเทศอะคะ่ะของพระบางรูปท่านบอกว่าเรื่องจิตตั้งมั่น การที่จิตรวมกับจิตตั้งมั่นนี่มันต่างกันไหมคะจางอันเดียวกันอะมันถ้ามันรวมลก็ตั้งมั่นไม่ขยับมันเดิงอ๋ออันเดียวกันอ่าเดียวกันมีคําถามเดียวค่ะขอบคุณรวมก็ยังตั้งมั่นได้อย่างหนูส่วนมากับจิตรวมแล้วก็ลงไปเลยแต่ว่ารวมได้นานไหมอยู่นานไหมก็ปกติหนูจะนั่งแค่ครึ่งชั่วโมงอะค่ะก็พอถึงครึ่งช่โงแล้วมันก็ตื่น ร่วแบบหลับร่วรวมแบบไม่หลับร่วมแบบไม่หลับไม่หลับไม่หลับไม่หลับรู้สึกตัวตลอดเวลานะใช่พราะนั่งหลังไม่พิงอะค่ะอ๋ออันเดียวกันใช่ไหมคะจิตตั้งมั่นกับจิตรวมใช่โอเคนะนั่ไม่มีอะไรเนั่งไปต่อขอบคุณค่ะอคนทุกตาเชิญทุกตาที่ไหน นักการ์อาจารย์เจ้าอยู่ที่ไหนจ้าตอนนี้อยู่กรุงเทพจ้าค่ะแต่สักพักหนึ่งจะย้ายไปเชียงใหม่แล้วจ้ค่ะมีคำถามไม่ไม่มากเจ้าค่ะมีสองคำถามเอ่อเป็นสภาวะทำใหม่ที่เพิ่งเคยพบวันนี้เจ้าค่ะก็เลยอาจารย์ไร้สดก็เลยได้โอกาสถามพอดีคือเวลาเราคุยกับคนที่ทำงานนีค่ะ แล้วจู่ๆเหมือนเขาดูดดูดไปเลยเห็นดูดไปเลยอันนี้คืออะไรเจร้าคะใครดูดใครดูดใครเขาดูดเราเจ้ค่ะก็เป็น <do> it, ใจใจเรารู้สึกเรืองจิตไปงมง่งไปแต่ว่าเป็นเป็นเห็นเป็น ม, มือนจิตตอนทําสมาธิเจ้าค่ะนั่นแหละมันก็เป็นจิตของเราปุกแต่งด้วอใบ ให้รู้เฉยๆไงรู้วมันเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีชาระประโยชน์อะไรอือเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยค่ะหลังจากที่เขาดูดไปเราก็เลยคิดว่าอันนี้หรือเปล่าที่เขาดูดแต่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเจอองค์คุรีมานท่านก็ไม่เห็นเป็นอะไรเจ้าค่ะไม่เป็นหรอกใจเราคิดแปลกไปเองนะตอนนี้ก็เป็นกันอะไรตอนนี้ก็กลับเป็นปกติได้แล้วเจ้าค่ะออ ไม่ไม่ต้องไปับวันอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอืมใชแล้วก็อีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะเอ่ออยากถามว่าอริยสัจสี่ที่พระโสดาบันกับพระอรหันต์ท่านเห็นเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันเจ้าค่ะหรเห็ น, นอันเห็นเห็นคนนะเห็นอนรนอะดดับกัน พระสุนทรมาเห็นนะเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นทุกข์ในร่างกายส่วนพระเห็นทุกข์ในจิตเนี่ยแต่ต้องต้องเห็นจากร่างกายไปก่อนนะถึงจะเข้าไปเห็นทุกข์ในจิตต่อไปมีมีคํำถามแค่นี้เจ้าคะอาจารย์โอเคแล้วทุกคนจอยต่อจอยอย่างไรเราจอยพัฒยาเป็นะยังไง ตรงกลางถ่ายของค่ะถายของอ่าดีแต่ว่าพวกนี้เขาที่บ้านเขาลดน้ําอะไรนะตามหัวผู้ใหญ่กันอ่าอ่าดีทำตามตามที่ก็ทําตามเขาแต่ว่าพวกนี้หนูจะไปใส่บาตอยู่ตอนเช้าก่อนโอเคเออหนูมีคําถามว่าสมมุติว่าคนที่เขาว่าว่าเราอ่ะเราเอาอันเนี้มามาเป็นการฝึกจิตได้ได้ไ ด, ได้ใช่ไหมคะได้ไเพราะใจเรามันจะทุกข์เวลาเขาว่าเรา ใช่มันนันนิดนึงค่ะแต่ว่าก็คิดถึงคําสอนและของพระอาจารย์ก็พยายามพยายามแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ถูกคือเราจะชนะใช่ไหมคะใช่เราไม่ถูกเพราะเราเห็นว่าเราห้ามเขาไม่ได้ปาดของเขาเขาจะเขาจะพูดเราเราห้ามเขไม่ได้ค่ะค่ะแล้แลก็ควรจะแบบวางวางใจเฉยเฉยปล่อยเขาว่าไปเขาจะว่าแล้วเรของเขาปาดของเขาใจของเรา เราไปห้ามปากเขาไม่ได้แต่เห้ามใจของเราได้น้องัาากษาใจเราอย่าไปทุกกับเขาได้ดเลยซ้มดูสิซ้ซำซ้เอาคาด่าของมาดา่าหรือเรื่อยพอต่อเวลาเจอก็ด่าจะได้ชินอย่างมนะแล้วเราซ้มต้องออึ้นไยมันอบแบบเหมอนว่ามันเราเหมือนมึงมึงไม่ค่อยดูแลหัวมึง ดูแลหวมึงเองอะไร่เยหนูก็แล้วก็ด่าเราด่าเราซ้อมไปเรื่อยๆใช่ด่าเราหนูก็เหมือนเป็นประเทศนึงเป็นคมพูดเวลาเรามาพูดเองทไมเรามันรู้สึกชั่วแบใช่ค่ะเขาหน้าปาเขาจริงจังกับการด่าเรามากเราก็เลยแบบเราก็รู้สึกว่าเออด่าเราขนาดอะไรเงี้ยล้วก็เฉยต้องเฉยไปหนูก็เฉยอะค่ะแต่ว่าหนูก็แค้เกบมาคิด ว่าถ้าเราสู้กับมันได้ชนะแล้วก็อย่าไปเชื่อใจเขาไหนเขาเชื่เป็นเรื่องเรื่องเด็กเรื่อคนมีอารมณ์กรไปตามมาค่ะค่ะไโอเคนะค่ะเดี๋ยวผู้ห้ิงสาวตัไปใส่วันนะคะโอเคครับคุยกิดตาเปินปัะเด็นหนักเลคมณนหนักเลยครับการบริการพระอานครับ สวัสดีปีใหม่พระอาจารย์นะครับพอให้พระอาจารยแขงแรงครับอล้วที่หาไปหลายวันนะสัปดาห์ที่แล้วพอดีว่าอ่ไปกับหลวงพ่อหาวงกวดไปที่วัดสังฆทานครับที่นนทบุรีคพระอาจารย์กว่าจะเสร็ก็สารเพิ่มกว่าครับก็เลยฟังแต่รอบนอกครับพระอาจารย์อืที่นั่นคนมาปฏิบัติธรรมเยอะเหมือนกันครับแต่อากาศอบอ้าวมากครับท่านไมเที่ยเหราใช่ใช่ครับท่านที่วัด เราเชิญท่านไปเทศตอนสองทุ่มถึงสามทุ่มครับก็มีเหมือนมีญาติโยมก็มีรร ม, ามาปฏิบัติธรรมที่นั่นครับสามสามสามคืนนะครับอืก็ก็เยอะมากเลยครับก็แต่แต่วัดก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับอาจารย์คือบัดมันหมู่บ้านก็เข้ามาติดหน้าวัดอะไรนะครับออไปนิดนึงก็เป็นร้านผับร้านบานร์คิดวาเป็นอันิจันทร ะ, ะโยม ค, ครับไป ตามการตามเวลาขรับใช่คุณอาจารย์แล้วคือวัดของขออพระอาจารย์ร้อนไหมครับก็ร้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติอะไรมันก็เป็นหน้าของมันอ๋อครับอ๋้ครับิทแล้วก็คอยรักษาดูครับขอคุณเวาใต้สมดนะคุณชาลินขอบคุไทยชาลินน้ำมาสการพระอาจารย์ครับมากบพระอาจารย์เฉยครับ อยู่ไหอ่าอยู่ปทุมธานีครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินยนะครับครับผมอาจารย์ครับอยากจะกรอกกราบขอขมาพระอาจารย์ครับที่อ่าไม่ได้ปฏิบัติสม่าเสมอครับอ่าก็ก็ก็ในเรื่องของคนนะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ก็ทําทําทุกวันครับมีการสวดมนต์มากขึ้นแล้วก็ภาวนาก่อนหลับไปครับ ก็ไปยังทำา็ที่เราทำได้ก็แล้วกันนะครับผาจางครับโ okay. อเคถาดูเดี๋ยวไปที่คคนคนละนะคำถามจากเ c e b o o k มีอะไรบ้ยมีคำถามจากท้ง Facebook และ y o u ูท b e ทั้งหมดสามคำถามค่ะคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขณะเดินจงกรมแล้วเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่ง จิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเข้ามาในกายเราและเป็นกระดูกไล่จากเท้าขึ้นมาแต่ไม่ถึงศีรษะค่ะจะสามารถแยกได้อีกไหมคะควรปฏิบัติอย่างไรต่อเพื่อความก้าวหน้าต่อไปขอพระคุณค่ะก็ดูแปเพื่อให้เราไม่ทุกข์กับมันกับร่างกายไม่ทุกข์กับความเจ็บเพราะเป็นสภาวะนามที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับของเราอย่าไปทุกข์กับมัน าการปฏินนบัติเนี่เป้าหมายก็เพื่อให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนใจผูุรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาควาเมเจ็บก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคำถามต่อไปจากคุณการชนาพระอาจารย์เจ้าคะเราใส่บัดัจจัยในบาทจะบาทไหมคะไม่บาปหรอก แต่ว่ามันไม่ถูกต้องพระตามหลัพหพกพรวินัยพระนับเงินเก็บเงิไม่ได้ต้องฝากลูกศิษย์ไปให้ลูกศิษยเป็นคนเก็บไว้ทีเนี่สมัยนี้ญาติโยมไม่เคยรู้กันก็เลยก็เลยตกกระดอยพลอยจนไปเ ข, า, ขาอยากจะให้รับก็รับไปให้ลูกศิษย์ก็ให้ลูกศิษย์รับก็เขาเที่ยวไปให้ลูกศิษย์เขาเขเลยไม่มั่นใจพระอาจารย์จะได้เปล่แบบพาพระอาจารย์ก็เลยรับแล้วก็หยิบไปให้ลูกศิษย์ไว้ที แต่มันไม่ถูกต้องตามพระวิไัยพระวิ น, นันนต้องไม่รับเลยไม่ไมไมไมตัไม่จับเลยแต่ยุคนี้สมัยนี้มันคน่อนข้างที่จะยากพะคนไม่ค่อยเข้าใจเคนอยากจะให้พระเป็นคนับคณถามสุดท้ายจากคุณสุทธินีรบกวนถามพระอาจารย์ว่าการนำอัดญาติไปบรรจุใต้ฐานพระเป็นการต้องห้ามไหมคะ ยมอ่านเจอว่าการกระทําเช่นนั้นจะทําให้ดวงวิญญาณถูกกดทับไม่เป็นอิสระจริงหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่จริงหรอกดวงวิญญาณได้มาเกี่ยวกับอัฐิของเราหรอกอัฐิกับดวงวิญญาณแยกทันไม่คนละทิ้งคนณธรรมนะอัฐิจะไปเกี่ยวไว้ที่ไหนก็แล้วแต่การรักเทสระัแต่ความเหมาะสมถ้าทางวัดชขา้อาอนุญาให้เก็บก็เก็บได้คนส่วนใ ญ, ญ่บางทีอนนี้เขาก็ไปลอยอคายไนปะ เอาไปรอยน้ำเหมือนกนะสมัยก่อนเขาได้ยอมเอาไปเอาไปไว้ที่วัดละวันก็ก็เป็นวิธีหางเงินของวันด้วยวันกินทาช่องไว้ให้สำหรับ้าเิียวเอาบางทีทำกรแพงแล้วโบยนี้ก็จะตามก็จะมีช่องให้ใส่อัีิไว้แต่ก็ต้องมีมีเหมือนกัค่าใช้จ่ายญาติโยมก็ต้องทาบุญนะจ่องหมือนกัเป็ น, เ ป, นเป็นที่อยู่อาศัยเขาก็หลุกไป ทางวัดก็จะได้เอาเงนินที่ญาติโยมมาใช้เก็บกระดูกนี้เอามาทาทาประโยชน์ให้กับทางวัดต่อไปนั่นเองอย่างความจริงแล้วอันตรีหรือกระดูกนี่เป็นกระดูกที่เหลือยังไปทาอะไรก็ได้นะน้องตามมาบวชของต่าเอาอันิของแม่ท่านไปไปไปไ ป, ปล่รยไว้ใต้ต้นโพในวัดแล้วบอกอไปบูชาพระเจ้า นั่นนั่นมันเป็นมันเป็นกระดูกว่าไม่มีตัวไม่ไม่ไม่มีตัวไม่มีตัวนะแต่ใจของเรายังไปยึดติดกับมันอย่างยี่เว่าเป็นร่างกายแม่เป็นของเป็นกระดูกของแม่เป็นกระดูกของพ่ออะไรหดแล้ช่งทางหมดแล้วใช่หมดแล้าเวลาเราพอดีหมดทะเลก็ขออนุโมทนา ทุกการที่ได้เร่วมฟังเทศของธรรมองหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยก็ขอให้ท่านตรงนเอาเสีกงที่ท่านได้ยินไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอะ